ดูหน้าตาพวกเราก็คุ้นๆ น, นะส่วนใหญ่ฟังเทศมาเยอะแล้วหลวงพ่อไปเทศที่น้นที่นี่นะเรื่อยๆแลวพบว่าช่วงหลังๆเนียคนที่เรียนธรรมะมันเปลี่ยนแปลงไปมากคนที่เรียนกับหลวงพ่อสักพักเดียว จิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือไม่ใช่เป็นแค่ผู้เพ่งเอาไว้นิ่งๆคนทั่วๆไปมันก็จิตก็เป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนักปฏิบัติสมัยก่อนนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งเพ้นถ้าไม่ภาวนาแบบเพ่งเอาไว้นะก็ฟุ้งซ่านไปเลย ซึ่งสองอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกทั้งคู่ตรงที่จิตใจเราฟุ้งซ่านไปเรามีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจมันตามกิเลสไปย่อหย่อนเกินไปเรียกว่ากามสุขาลิการุโยกมันตามใจกิเลสหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมีกายลืมกายมีใจลืมใจ คนที่หลงไปในทางย่อหย่อนทางกามสุคาลิการวิโยคเนี่ยส่วนมากก็จะไปทุกคติต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตนั้นมีธรรมชาติไหลลงต่ําถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบ ร, ร, ร, รมนั้นก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆเง้นคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปบันๆเคลิร์อนอยู่กับโลกนึกว่ามีความสุขนีส่วนมากก็คือสะสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งแก่ก็ยิ่งแย่ความประพฤติก็ยิ่งแย่ลงจิตใจก็ยิ่งแย่ลงดงนนสุดท้ายก็ไปอาบายนะส่วนพวกนักปฏิบัติชอบเข้าวัดเข้าวาเกือบทั้งหมดเข้าไปนั่งเพ่งเอามีกายก็บังคับกายมีใจก็บังคับใจนั้นเรียกว่าสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งข้างอัตต์กิรมะฐานโยกบังคับกายบังคับใจใทำกายทาใจให้ลาบาก การที่คอยควบคุมกายควบคุมใจนะท่านบอกว่าไปสุคติไดนะ้เพราะว่าเป็นคนดีไม่ได้ชั่วอะไรไม่เหมือนพวกหลงโลกจะไปสุคติได้นะไปเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ยังบังคับกายบังคับใจให้มันเรียบร้อยไม่ทำความชั่วมีศีลมีธรรมอะไรขึ้นมากาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มาฝึกจิตฝึกใจให้มันนิ่งสงบไปเป็นพรหม แต่ว่าไม่สามารถจะไปนิพพานได้นิพพานไปไม่ได้ด้วยกามสุขาริกาตุโยกนิพพานไปไม่ได้ด้วยอัตตกิลมะฐานุโยคเพลิดเพลิ น, นตามกิเลสไปนิพพานไม่ได้จะไปอบายควบคุมกายควบชุมใจให้ลําบากนะบังคับตัวเองกดข่มตัวเองอยู่ไปสุขติได้แต่ก็ไม่นิพพาน จิตที่ดีที่สุดนะที่จะเข้าสู่พันิชยานได้ก็คือจิตที่สามารถจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรงผู้แต่งแล้วก็ไม่ใช่ผู้เพ่งจิตชนิดนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องเรียนนะต้องเรียนบทเรียนที่จะทําให้เราได้จิตชนิดนี้ชื่อว่าจิตตศิกขานี่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะหลาย10ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเข้าวัดเข้าว่าอะไรเนะี่ย คนนั่งสมาธิเยอะแต่มันไม่ใช่จิตตะศิขาเพราะว่าไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรก็คิดจะนั่งเพื่อทําความสงบถามว่าสงบไปทไําไมก็เพราะว่าเชื่อว่าถ้าสงบแนละ้วจะเกิดปัญญาที่จริงสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยตลอดเวลาหลายสิบปีนะที่หลวงพ่อ เรียกรรมฐ า, านมาแล้วก็เริ่มสอนพวกพวกเพื่อนๆก่อนตอหลังๆมาบวชสอนญาติโยมขึ้นมาเนี่ยจุดแรกที่พาพวกเรามาก็คือปลุกจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาก่อนถ้าจิตเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบากบานมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงหรอกอย่างเก่งก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยากนะหน้าตาอย่างพวกเราดูเป็นพรหมลาบากใจมันไม่มีความสงบจริงหรอกฟุ้งทั้งวันนะ แต่ว่าเป็นคนดีเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้งั้นจุดใหญ่ใชจความต้องมาเรียนนะจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อเรามีจิตชนิดนี้แล้วเนี่ยจิตก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาลําพังมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเรียกว่าได้สมาธิที่ถูกต้องยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยงั้นต้องมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาด้วย บทเรียนที่จะสอนเราให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยชื่อว่าบทจิตศิกคาบทที่จะทให้บทเรียนที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยชื่อปัญญาศิกขาก่อนที่จะเจดินปัญญาได้ต้องมีจิตศิกขาให้ดีซะก่อนถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตเอาไว้ก่อนแล้วเนี่ยจิตจะเดินปัญญาไม่ได้จริงอย่างเก่งที่สุดที่ทำได้ก็คือการบังคับกบายบังคับใจนะจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ เนี่ยที่หลวงพ่อพักเพียรสอนมานะตั้งแต่แรกก็เรื่องพวกนี้เป็นจุดแรกเลยต่อมาพวกเราก็ภาวนากันจนจิ ต, จตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนหวงพ่อกล้าพูดเลยนะในชีวิตที่เห็นมาเนี่ยไม่มียุคไหนหรอกที่คนสามารถปฏิบัติจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มากเท่ายุค ข, ของเรานี้นะไม่มีหรอกสมัยก่อนเข้าไปอยู่วัดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะ ครูบาอาจารย์ชั้ น, นเลิศทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์ชั้นดีเนี่ยมีอยู่จํานวนมากทนะุกวันนี้ท่านก็มรณภาพไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าในลูกศิษย์ในวัดแต่ละวัดเนี่ยจะหาคนซึ่งเป็นผู้รู้สักคนหนึ่งนะยังยากมากเลยส่วนใหญ่ก็ไปนั่งสมาธิให้สงบอยู่เฉยๆนะงั้นตอนที่หลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยแรกๆคนไม่เข้าใจนะถูกต่อต้านมาก แต่มาวันนี้มันเป็นการพิสูจน์ในตัวของมันเองได้แล้วืว่อพวกเราจํานวนมากเนี่ยจิตของเราตื่นขึ้นมาเมื่อจิตของเราตื่นขึ้นมาได้มันหลุดออกจากโลกของความฝันคนทั่วไปนั้นจิตอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลานะหลงเพลิดเพลินไปได้ไอยๆงนวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของความรู้สึกตัวไม่ใช่โลกของความคิดความฝัน วิธีที่เราจะปลุกจิตให้หลุดออกมาอยู่ในโลกของความตื่นเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแต่ทํากรรมฐานแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบเราทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดนั่นแหละเดี๋ยวก็ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดจิตที่ไหลไปคิดมีมากที่สุดนะหลับตาอยู่ก็คิดได้นะอุทูอยู่ก็คิดได้ นอนหลับอยู่ยังคิดได้เลยเรียกว่าฝันนี่คือจิตที่คิดงั้นทําไงดีเราจะมาฝึกด้วยการรู้ทันจิตที่คิดจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะการไหลไปคิดเกิดบ่อยทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธพุโทโธก็ได้หายใจไปก็ได้ไม่ใช่พุโทโธไม่ได้หายใจให้จิตสงบอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นตื้นเกินไปนถ้าพุโทโธเอาจิตสงบนะก็ได้อะไรได้ความสงบได้ความสงบแล้วได้อะไรดีมีความสุข ก็อยู่แค่นั้นเองแต่ว่าความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้เรียนเอาของตื้นแค่นั้นเราเรียนเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเราก็มาเตรียมจิตให้พร้อมด้วยกันเป็นผู้รู้ซะก่อนแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละมารู้ความจริงของกายของใจนะงั้นต้องทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นพุโทโธพุโทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมนันหนีไปคิดหรือหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว อย่าไปเพ่งที่ลมหายใจอย่างเดียวส่วนใหญ่เกือบร้อยร้อยของคนหายใจนะเอาจิตไปจ่อไว้ที่ลมหายใจจิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจยอันเดียวนะได้ความสงบอย่างเดียวเรียกว่าอารามันูปนิชานเป็นจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เพ่งลมหายใจอยู่จะได้แค่สมถะกรรมฐานจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ถ้าเราอยากได้จิตเป็นผู้รู้นะเราหายใจไปแล้วค่อยรู้ทันจิตที่หลงนะพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้ ถ้จิตมันหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะหลวงพ่อก็ฝึกมาด้วยวิธีนี้นะแต่เดิมแรกๆ ก, ก็ฝึกให้จิตสงบต่อมามาฝึกใหม่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้นะเพราะตอนที่ฝึกให้จิตสงบนั้นเกิดนิมิตมันเที่ยวรู้โน้นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่นั้นได้ยินโน้นได้ยินนี่บางทีคนคิดนะก็ได้ยินอะไรเงี้ยผีคิดก็ได้ยินอะไรเงี้ยใจมันจะฟุ้งซ่านได้ยินจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามันได้ยิน อาจจะจิตหลอนทั้งหมดเลยก็ได้นั่นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ทางหรอกมันทําไปแล้วมันเห็นจะเกิดประโยชน์อะไรหลวงพ่อก็พยายามปฏิบัติใหม่นะไม่ให้ลืมตัวหายใจไปหายใจไปพอใจจะเคลิบก็หายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งให้รู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไม่ใช่เอาความสงบเป็นหลักเนี่ยฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เป็นคราวาสครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ตั้งแต่ยังเป็นคราวาสเลยจิตเป็นผู้รู้ ไม่ใช่ผู้หลงเนี่ยเราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้เมื่อก่อนนี้ไปเยี่ยมคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดียังถามหลวงพ่อเลยว่าท่านอาจารย์ภาวนามาอย่างไงจิตลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้จิตมาเหมือนกันได้ลเล่าให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่อาใจารย์ให้เคลิ้ม หายใจด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยพอจิตมันเริ่มสงบลมหายใจมันก็ละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจิตสงบจริงๆนะลมมันก็ามาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเป็นลมที่ละเอียดแล้วกลายเป็นแสงตรงที่เราเห็นลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงเนี่ยเรียกว่าอุขานิมิตจนะทั่งเราเล่นได้นะแสงเนี่ยให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้ เวลามันยอ่อเล็กลงมานะแสงมันจะเข้มมากเลยเข้มปึ้ดเลยนะเวลาขยายก็สว่างสวัยแบบพระทิดพระจันทรนะ์เล่นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้เล่นเพื่อให้มีทิศมีเดชอะไรอะเล่นแล้วก็อยู่กับแสงแล้วพอจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเนี่ยบอกท่านอย่างนี้เลยนะจิตเคลื่อนไปจากแสงเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันสรุปคือทํากรรมฐานอันหนึ่งนั่นแหละแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ทัน เล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหนละวงตามาหาบัวให้ท่านพุโทโธท่านพุโทโธแล้วจิตทา่านก็มาอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกันพุทโธพุทโธแล้วท่านก็เห็นจิต ท, ที่เคลื่อนไปพุโทโธจิตหนีไปเรารู้พุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหนีเรารู้ไม่ใช่ห้ามหนีถ้าห้ามหนีจะตกไปสู่ข้างอัตตกิเลมตรฐานโยคคือบังคับจิตบังคับกายบังคับใจนะงนั้นเราไม่ได้บังคับแต่เราคอยรู้ทานจิต ท, ที่ไหลไป จะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้อยากดูจิตที่หนีไปนะหลวงพ่อจะละพาให้ดูสักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดลองทดสอบนะไม่คิดคิดไหมห้ามคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมีธรรมชาติคิดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจิตคิดแต่เราไม่เคยเห็นต่อไปเนี้ยรู้ทันอย่างนี้แหละนะ นั่งดูไปเนื้อหนีไปคิดแล้วว่าจะไม่คิดแท้ๆนะแป๊บเดียวหนีไปคิดแล้วบางคนได้ไปคิดพุดโทโธนะพุโทโธพุโทโธเนี่ยบอกว่าจิตไม่คิดไม่คิดอะไรก็คิดคําว่าพุโทโธนั่นแหละนะพุโทโธพุโทโธงั้นฝึกนะฝึกค่อยๆฝึกไปไม่ต้องรีบร้อนวันหนึ่งฝึก15นาทีก็พออย่าโลภมากถ้าโลภมากแล้วก็วันที่2จะไม่ทำนะตั้งใจจะดูชั่วโมง2ชั่วโมงอีกวันหนึงก็จะขี้เกียจแล้ว ขอสิบห้นาทีพอนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นาะเดือนเดียวอย่างมากเดือนเดียวจิตชจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพวกคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อรุ่นหลังๆนะเดือน2เดือนเท่านั้นแยกขันได้เลยขั้นที่จะเป็นผู้รู้แล้วนะใช้เวลาสั้นๆแต่พวกที่มาเรียนก่อนเนี่ยใช้เวลานานทําไมพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆใช้เวลานานพวกนี้ชอบภาวนาเพราะฉะนั้นติดการเพ่งมาแทบทางนั้นเลย นะติดการฝึกบังคับกายบังคับใจมาแทบเท่านั้นนะต้องมานั่งแก่มานั่งรือใหมนะ่ส่วนคนซึ่งมาทีหลังเนี่ยเป็นพวกไม่สนใจกรรมฐ า, านมาก่อนไม่เคยไปฝึกเข้าวัดเข้าวาไม่สํานักอะไรไม่เอาซังนั้นนะ่นะอยู่กับโลกธรรมดานี่เองจิตใจมันไม่มีมัญญานะมัรญาของคนดีนะ่ะไม่มีเป็นคนธรมธรมดาธรรมดามามาฝึกรู้ทันใจที่หนีไปคิดนะัแป๊บเดียวมก็เป็นแล้วพอ ร, รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดปุ๊บจิตรู้ก็จะเกิดขึ้ น, นโดยอัตโนมัติ เมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะเป็นธรร <osium> <ท listening>มชาติอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตที่หลงไปคิดนั้เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับมันก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนง่ายๆแค่นี้เองงั้นไม่ได้ไปบังคับให้จิตเป็นผู้รู้บังคับไม่ได้แต่ให้รู้ทันว่าจิตเป็นผู้หลงถ้ารู้ทันว่าจิตหลงไปนะจิตไหลไปผู้รู้ก็จะเกิดเ mm. มื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยงานต่อไปของเรานะก็คือ การน้มน้อมจิตไปให้เกิดยานทัศนะหมายถึงยานทัศนะเนี่ยทัศนะเป็นการเห็นยานเป็นปัญญาเห็นยังไงให้เกิดปัญญานีไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการคิดนะแต่เป็นปัญญาเกิดจากการเห็นแล้นเราต้องเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจใครเป็นคนเห็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นคนเห็นเห็นอะไรเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดู เห็นร่างกายยืนเดินนั been been? ่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูเนา่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างเราร้อนนั่งนั่งพัดเนี่ยไม่ใช่นั่งพัดแล้วใจลอยนะหรือนั่งพัดแล้วก็เพลินู้เย็นดีเย็นดีนะนั่งพัดไปรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเอายิ้มหวานยิ้มหน่อยซยิ้มหวานหวานชวนกันยิ้มหน่อยคนไทยเดี๋ยวนี้ชักยิ้มไม่เป็นแล้วนะหน้าตา เ, เครเครียดเรายิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มเนี่ยลองพยักหน้าสิร่างกายพยักหน้าเนี่ยรู้สึกเอาไม่ได้ไปเพ่งนะไม่ใช่เพ่งพยักหน้าสิอย่างนี้ไม่ได้นะใช้ใจที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปด้วยใจธรมธรมดาธรรมดาใจที่มีสมาธิถูกต้องจิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยนะมีลักษณะที่มันเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไว ควรแก่การงานซื้อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้มารยาดัดจลิตทําเป็นคนเรียบร้อยอะไรหรอกเป็นใจธรรมดาธรรมดานี่เองนะเราใช้ใจที่ธรรมดานี่แหละนะนะแล้วก็ไปรู้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรืยใจธรมธรมดาธรรมดาเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนัด้วยจิตใจที่ธรมธรมดาธรรมดานะเราเห็นความดีความชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็นดับไปรู้มันด้วยใจธรมธรมดาธรรมดานะ ใจทั่ธรรมดาเนี่ยเป MM ็นใจที่ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายด้วยนะยังมีความสุขแล้วเรายินดีเนี่ยถือว่าใจไม่ธรรมดาละใจผิดธรรมดาละนะเพราะฉะนั้นอย่ามีความสุขขึ้นมาเราพอใจมีความยินดีพอใจให้รู้ทันว่าพอใจความพอใจจะดับนะความสุขก็ยังอยู่ได้ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะนะทันทีที่เรารู้สึกก็จะดับไปเลยนะถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลมีความสุขเนย อยางฟังเทศฟังธรรมจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่จําเป็นต้องดับนะเพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดร่วมกับจิตอกุศลก็ได้เดรา แ, แค่แค่ว่าเห็นว่าจิตมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ยินดีพอใจในความสุขอันนี้ที่เรียกว่าราคานะเป็นราคะเป็นกิเลสละเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาละมันทําให้จิตใจเราเสียอิสรภาพจิตใจตกเป็นทาตของความสุขงั้นพอมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขนะ มีจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยจิตเป็นอกุศลเช่นโกรธขึ้นมาก็อย่าไปโกรธมันบางคนเห็นจิตโกรธเห็นจิตมีกิเลส น, นะโมโหตัวเองอีกใครเคยเป็นไหมเห็นกิเลสแล้วโมโหทำไมมันชั่วยอย่างนี้นั่งด่าตัวเองนะไอ้อย่างนี้ก็คือโทสะซ้อนโทสะอีกแล้วให้รู้ทันสภาวะทั้งหลายอย่างที่สภาวะนั้นเป็นถ้ารู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันรู้เข้าไปอย่างนี้นะมันจะเดินปัญญาได้ จิตที่ใช้เดินปัญญาเนเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลและมีสติไปรู้กายรู้ใจนะแล้วก็มีปัญญานะเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูที่กายที่ใจเวลาจะทำวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยไม่ใช่ดูกายดูใจนะแต่ดูไตรลักษณ์ของกายดูไตรลักษณ์ของใจตรงนี้ต้องเรียนให้ดีนะงั้นมั่วอย่างบางคนไปเข้ากรรมฐานบอกว่า ไปเข้าคอสวิปัสนา7วัน8วันอะไรก็แล้วแต่เอะทาวิปัสนาถามว่าทำยังไงท้องพองก็บริกรรมพองนอท้องยุบก็ยุบนออันนี้ไม่ใช่วิปัสนาอันนี้คือสมถะกรรมฐานถ้าวิปัสนาต้องเห็นไม่ใช่บริกรรมการเห็นกับบริกรรมไม่เหมือนกันอย่าเห็นนาฬิกานี่รู้สึกไม่เห็นไหมเห็นไหมถ้าบริกรรมก็ต้องเห็นหนอเห็นหนออะไรขึ้นมานะคนละอันกันนะ งั้นตรงที่บริกรรมเนี่ยไม่ใช่มีปั ส, สนานะแต่ถ้าบริกรรมเพื่อสอนตัวเองเพื่อสอนใจเช่นโกรธขึ้นมาโกรธนอโกรธน้องสอนใจตัวเองว่ากําลังโกรธนะหัดรู้สภาวะของความโกรธต่อไปเวลาโกรธแล้วรู้โดยไม่ต้องบริกรรมนะอย่างนั้นใช้ได้เองแค่สอนตัวเองให้หัดดูสภาวะแต่ถ้าดูสภาวะเป็นแล้วอย่ามานั่งบริกรรมเสียเวลาฟุ้งซ่านเปล่า ให้ดูสภาวะอย่างที่สภาวะเขาเป็นเช่นความโกรธมันผุดขึ้นมาเราจะเห็นเลยความโกรธมันมีเหตุมันถึงเกิดอยู่ๆไม่โกรธหรอกเหตุของความโกรธก็คือต้องมีการกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์นะตาอาจจะมองเห็นรูปตาเห็นใจก็แปลความหมายของสิ่งที่เห็นในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจะไม่มีกิเลสอะไรทั้งสิ้นนะในขณะที่หูได้ยินเสียงยังไม่มีกิเลส จะต้องมีการคิดพิจารณาของใจก่อนถึงกิเลสถึงจะเกิดหรือกุศลถึงจะเกิดงั้นในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลหรอกเป็นวิบากเฉยๆนะเป็นกลางๆแต่พอตามองเห็นเนี่ยเรียกว่ามีผัสสะและตาเห็นตาเห็นรูปมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาแปลวอ้นี่ผู้หญิงสวยเนี่ยพอแปลได้นะคราวนี้กิเลสถึงนี้ทํางานขึ้นมาราคาเกิดขึ้นเนี่ยแปลออกมาว่านี่ศัตรูเรา โทสะเขาเกิดขึ้นนั้นใจเรานะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีผัสสะเป็นจุดตั้งต้นดงนั้นเวลาที่เราจะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราจะเห็นมันมันมีเหตุมันเกิดนะไม่ใช่อยู่ๆลอยๆมันเกิดหรอกบางทีเราไม่ได้มองเห็นอะไรเรานั่งหลับตาเพลินๆอยู่นะอยู่ๆใจมันก็คิดขึ้นมาสัญญามันผุดขึ้นมานหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาแม้พอโผล่ปุ๊บโทสะขึ้นเลยเห็นไหมโทสะมันตามหลังผัสสะมา ตามหลังผัสสะมาแต่ว่ามันตามหลังมีผัสสะนะมีการแปลความหมายของอารมณ์ที่มากระทบนั้นนะมีการให้ค่าแล้วก็โทสะถึงเกิดราคาถึงเกิดหรือกุศลถึงจะเกิดสุขทุกทางใจถึงจะเกิดเนี่ยมันมีกระบวนการทํางานของจิตใจความมันจะปรุงความชั่วได้สักครั้งหนึ่งเนะี่ยมีกระบวนการตั้งเยอะไนงะแต่เราไม่เคยเห็นนะเรามีแต่โกรธเปรี้ยงไปเลยดูไม่ทันเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไป เราจะเห็นเลยความโกรธก็มีเหตุให้เกิดแล้วก็มันก็ตั้งอยู่เท่าที่มีเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับอย่างเวลาเราขับรถไปมีคนปาดหน้าเราเห็นคนปาดหน้าถ้าเรากาลังขับรถแล้วใจลอยคนปาดหน้าเราไม่รู้นะไม่โกรธแต่มีคนปาดหน้าปุ๊บมันต้องคิดนิดนึงก่อนนะอุ้ยมันจะนิสัยไม่ดีอะไรเนียต้องคิดในทางไม่ดีเรียกว่ามีพยาบาทวิตก เนะพรตาเมาเห็นเกิดพยาบาทยิ่ตกนี่มันเลวร้ายนิสัยเสียเห็นแก่ตัวเขคิดอย่างนี้นะโทสะมันเกิดนี่พอโทสะเกิดเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะไปมองไอ้คนที่ขับรถปาดนะจะต้องไปปาดคืนหรือไปกดแรด่ามันพวกเราใครขับรถบ้างมีไหมเคยโกรธไหมถูกปาดโกรธแล้วทําไงเราก็ดูไอ้คนที่ทําให้โกรธมันไปโน่นแล้วนี่จะต้องตามมันไปใช่ไหไกดแรด่ามันอย่างน้อย ด่ามันด้วยปากมันไม่ได้ยินนะโกมันแต่ด่ามันก็ยังดีหรือบางคนด่าเลยนะไอคนน้นไม่ได้ยินหร อ, อกไอคนที่นั่งข้างๆในรถเราเนี่ยได้ยินเนี่ยรับอกุศลเต็มๆเลยเคนนั้นไม่มีนะเนี่ยสังเกตดูสิขนาดที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ย้อนมาดูว่าใจกำลังโกรธแต่ไปดูคนที่ทาให้โกรธ แล้วก็คิดต่อไปเรือ่อยๆแม้มึงหนีไปโน่นแล้วอสันดานไม่ดีพ่อมึงจะตายแม่ยายมึงจะคลอดหรือไงเนาะโกรธอยู่น ะ, ะยิ่งวิ่งคิดมากยิ่งโมโหใหญ่น ะ, ะเสร็จแล้วมันหนีไปติดไฟแดงเราติดไฟแดงนะมันหลุดไปได้โหยิงแค้นจระาะจร อ, อีกนะว่าเข้าข้างคนผิดนะถ้าเป็นนักปฏิบัติเราไม่ลกความโกรธเห็นเขาปาดหน้าใจมันคิดใจมันจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้ ความโกรธมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เพราะความโกรธเกิดเราเปนนักปฏิบัติเรารู้ทันว่าจิตโกรธขณะที่เรารู้ทันว่าจิตโกรธเนี่ยเราใช้ความโกรธอันเก่าเนี่ยนะเป็นอารมณ์เราไม่ได้ใช้ไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์อีกต่อไปละเพราะงั้นมันไม่มีตัวกระตุ้นโทสะนะโทสะที่มีอยู่มันก็ดับมันดับเพราะเหตุของมันดับคือเราไม่ได้ไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเราไม่มีพยาบาทวิตกขึ้นมาโทสะมันก็ดับ งั้นมันดับของมันเองนะไม่ใช่เราดับได้แต่มันดับเพราะเหตุของมันดับเหตุดับก็คือเราไม่ได้ไปคิดถือไอ้คนนั้นละแต่เรากําลังมาเห็นว่าใจกําลังโกรธเห็นนะเราเปลี่ยนอารมณ์เรียบร้อยละพอเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะความโกรธจะดับวับลงไปเลยเพราะเหตุของมันไม่มีแล้วนมัจะดับของมันเองเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องดับกิเลสไม่ต้องละกิเลสเรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีคําว่าละกิเลสเลยนะแต่ว่ามันไม่มีกิเลสจะให้ละ พรทันทีที่สติเกิดกิเลสไม่เกิดออกกิเลสที่เกิดอยู่ก็ดับทันทีเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะนี่คนส่วนใหญ่มันลาเลยมันสนใจแต่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรที่หรือในเรื่องราวที่คิดไม่สนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองเห็นเขาปาดหน้าก็าไปดูเขาไม่ดูใจตัวเองเดินห้างเดินศูนย์การค้า เห็นโทรศัพท์แบบใหม่อยากได้ใจก็ไปอยู่กับโทรศัพท์แต่ถ้าเราเห็นใจที่อยากได้เห็ในใจที่โลภนะความโลภจะดับเลยคราวนี้จะเห ล, ลือเหตุผลล้สมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะงั้นเราจะต้องถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองไม่ได้ฮะเราตกเป็นทาสของกิเลสราคาบ้างโทรศับ้างโมหะบ้างมันลากเราไปทั้งวันทั้งวันจิตใจที่ถูกกิเลสลากไปหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบ งั้นถ้าเรารู้ทันจิตใจนะกิเลสมันลากเอาจิตใจไปไม่ได้จิตใจมีความสุขมีความสงบโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะง่ายกว่ากันเยอะนะงัค่อยๆฝึกไปแต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้หรอกเราฝึกจนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้อย่างนี้นะอย่างตอนเราหัดดูทีแรกเราก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดั บ, ค ว, ดบความเฉยๆเกิดแล้วความเฉยๆก็ดับเห็นอย่างนี้ เห็นว่าโลบเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับโอถูกเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นดูอย่างนี้นะหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปนะเฝ้ารู้อยู่ในกายในใจนี่เห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่ปัญญารวบยอดเกิดนะมันจะไม่ใช่บอกว่าโกรธเกิดโกรธดับสุขเกิดสุขดับนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอด งั้นปัญญารวบยอดเกิดเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วนะมันจะเกิดเองตรงที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปดูซ้ำซ้ๆๆ้ำซ้ำไปด้วยจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาพอจิตสะสมปัญญาเต็มที่นะจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยตรงจุดนี้แหละ ตรงจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาว น, า, นาเราดูสภาวะทั้งหลายไปด้วย<ๆ>เห็นอันนอนท์เกิดอันนี้ดับอะไรเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเริ่มสะสมมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอมันเห็นทั่วทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเวลาความสุขเกิดขึ้น จิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความสุขอยู่ชั่วคราวเข้าไปจิตเก็ไม่หลงระเริงในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตที่รู้ทันว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปนะจิตก็ไม่เศร้มองมีความทุกข์มาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรธหลงมาก็แค่รู้มันคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกัน น, ะนักปฏิบัตินะ่ะชอบพูดมากเลยนะั่นเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นลงพ่อมองหน้าปุ๊บนะ ดูยังนึกในใจอีกชาติหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตาอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่รู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญาแก่กล้าแล้วจิตรู้เลยว่าอะไรเกิดอะ้รนั้นก็ดับทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้นะต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะเพราจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกัน สุขกับทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะฉะนั้นจิตจะไม่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงว่ามันกับเพิ่มขึ้นด้วยความยินดีก็เพิ่มลงด้วยความยินร้ายแต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนมันเป็นกลางมันจะไม่แกว่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิ จิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทําไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอันสิทําไมไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะมันมีปัญญาน่ะสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พอมันเห็นอันนี้นะจิตที่หมดการดินรนจิตเข้าอัปปนาสมาธิถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดนึ่งจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยจเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็าตามอ่ะ แต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยมรรยาผลนี้จิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนแหละนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวไม่นค่้ยๆไปสรุปลบรวบยอดตรงนั้นที่เดียวแต่ไม่มีคําพูดไม่มีคําพูดทั้งสิ้นเลยนะมันไม่นั่งหนอนเหนออะไรไม่มี้งสอะไรไม่ใช่ว่าโอ้โกรธแล้วหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคําพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคําว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคําพูด มันจะเห็นแต่สภาวะไัยตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไัยขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่ไม่เข้าไปสัญญาแปลกความหมายามว่าอันนี้คือ น, นี้อันนี้คือ น, นี้แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอันนีจะสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความทุกข์ เห็นอนัตตสัญญาสิ่งนี้ตกอยู่ใต้อนาตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะแบบดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจําได้ว่านี่สีเขียวสีเหลือสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจะไปหมายรู้อย่างนั้นเนี่ยปัญญาในอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองนะแล้วจิตนี้จะวางวางการรู้สภาวะนะหยุดการเดินปัญญาเพราะเต็มที่แล้ว ก็จะทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตุรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะอย่างที่พวกเรามีทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเป็นจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวาธาตุรู้จิตผู้รู้นี่ยังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสอยู่นะต้องพภานะจนจิตมันวางอารมณ์นะมันทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตุรู้แลเข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยมรรคนะทำลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายใน มนจะแวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทําลายเนี้ยช่วแวบเดียวชั่วงขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี้ยเกิด1ขณะจิตทุกคนไม่มี2องขณะเลยนะเกิดในพลิบตาเดียวนะพลิบตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไปมีครูบาอาจารย์องค์หนึงเคยเล่าให้ฟังนะคือหลวงพ่อพุธที่ท่านสิ้นไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ได้ไปหาราบสักการะให้ท่านหรอก ท่านนั่งเทศเหมือนหลวงพ่อเทศอย่างนี้ได้แต่ถ้านั่งบนธรรมะนะนั่งพับเทียบเทศไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านเทศไปนะจิตท่านก็ถ่ายทอดธรรมะให้โยมฟังไปเรืยจิตท่านมันก็พิจารณาธรรมะตามไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่าจิต ร, รวมปุ๊บเข้าไปนะแล้วมันขาดตรงนั้นเลยนะขดัดกิเลสถูกทําลายตรงบนธรรมาะนั่นแหลนะองค์นี้มาแปลกนะไม่ได้ ว่าชนะกิเลสตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะชนะกิเลสตอนกําลังเทศอยู่มันขาดปุ๊บออกไปแล้วจิตมันจะถอยออกมานะมันจะรวมไปปุ๊บเดียวเองถอยออกมาเนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคอะไรนะแล้วก็เทศต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนกับแท่นเท ศ, เทศไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลานี้สั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถลม่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเอง งั้นอดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่1นาทีหนึ่นาทีนะ่ะยาวไปแล้วห น, นาทีมีแต่อดีตมีแต่อนาคตใช่ไหมปัจจุบันนะสั้นนิดเดียวเงั้นจุดอันนี้จะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอตั้งอกตั้งใจฝึกของเราทุกวันทุกวันถือศีลห้ศีลจําเป็นถ้าไม่ถือศีลหใจจะฟุ้งซ่านหาความสงบยากคนไม่มีศีลมีแต่ความฟุ้งซ่าน อย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นฟุ้งซ่านนะคนที่เมตตาคนอื่นสงบ are, คนที่คิดจะเอาของคนอื่นฟุ้งซ่านคนที่ให้คนอื่นได้สงบมีความสุขคนที่คิดจะเป็นชั่วเขาฟุ้งซ่านคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองสงบคนที่โกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านคนที่พูดความจริงสงบใจไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องคิดไหมเวลาพูดความจริงต้องใช้ความคิดมากห ไม่มากเพียงแต่ดูว่าสมควรพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองสมควรพูดไหมสมควรพูดแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วแต่โกหกเนี่ยโอ้โหต้องวางแผนนะใครเคยโกหกบ้างยกมือซิหลวงพ่อยกด้วยนะเออสมัยเป็นโยมก็เอาเหมือนกันแหละนะสมัยยังไม่ได้ถือศีล น, นะไม่ได้สือส่อศีลพอถือศีล น, นะโอ้ยบางทีกลุ้มใจตอนนั้นรับราชการอยู่หัวหน้ากองนั่งโต๊ะติดกับหลวงพ่อ โทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางแกสั่งนะเดี๋ยวพี่จะรีบทำงานถ้าใครโทรมาหาพี่นะเธอบอกว่าพี่ไปไประชุมนะโอ้โหเราอธิษฐานจะประคุณอย่ามีใครโทรมาเลยนะเราไม่อยากโกหกพออธิษฐานจบโทรศัพท์ก็กริ้ง <unquote> เวนแล้วว่านะหยิบมาจะคุยกับหัวหน้ากองจริงๆนอะนะว่าทำไง Theo ดีเราพูดเบาๆยกโทรศัพท์ออกหัวหน้ากองสั่งไว้ว่า ตอนนี้ไปประชุมครับนะลง อ, อกไปหน่อยแต่ว่าใจเศร้ามองมมองหน่อยๆน่อยมันหลอกนิดหน่อยนะเนะี่ยเป็นคราวาสนะลำบากลำบากนะเองคราวเมื่อจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากเหลือเกินนะต้องอดทนมากแต่ถ้าเราอดทนได้นานๆนะการถือศีลจะง่ายขึ้นหลวงพ่อดูตัวอย่างตัวเองนี่แหละตอนทางานใหม่ๆเราข้าราชการผู้น้อยฮนะเวลาไปกินข้าวกินเลี้ยงนะ บนโต๊ะเราเนี่ยคนอื่นม่นกินเหล้าทั้งนั้นเลยมีเราไม่กินอยู่คนเดียวกินแต่กลับนะเหล้าไม่กินกินแต่กลับกินโซดงโซดาอะไรไปเขาก็เชี่ยวเข็นเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิ เ, ยสเราเราถือศีลเราจะกินแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าเราถือศีล น, นะคนมันจะโหานะเพราะยุคเนี้มันเป็นยุคของคนป่าเถื่อนคนไม่มีศีลมีธรรมถ้าเราบอกเราถือศีล น, นะมันจะโหนเอาหลวงพ่อบอกกินไม่ได้ครับแพ้เหล้า กินแล้วมันแพ้แพ้งจริงนะใจเราแพ้เราไม่ได้ร่างกายแพ้นะใจเราแพ้กินไม่ได้ก็แพ้แล้วค่อยบอกไปด้วยนะต่อมาคนเขาก็รู้ว่าเราไม่กินก็นเขารู้ว่าไม่กินแล้วพอเราซีมากขึ้นมากขึ้นนะใหญ่ขึ้นมาใครมานั่งโต๊ะเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้านะรู้ว่าโต๊ะนี้ยเป็นโต๊ะปลอดเหล้าเออเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะสิ บ, ส, บสิบปีนะ เพื่อจะถือศีลแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นถือที่แรกยากมากเลยงั้นอดทนเอานะถือศีลต้องฉลาดถ้าถือศีลแล้วไม่ฉลาดเนี่ยตรอมใจตายนะพอ ถ, ถือศีลได้แล้วนะก็ฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบ15นาทีฝึกอะไรฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สิอย่างหนึ่งที่มันไม่ผิดศีลนะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดศีลถ้ากรรมฐานประเภทเชือดคอไก่หรือตกปลาอะไรที่ไม่เอาหรือเล่นไพ่ นะเล่นไพ่เนี่ยจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือไม่สนใจอะไรเลยลูกร้องก็ไม่รู้กูจะเล่นไพ่เนี่ ย, อยบอกมีสมาธิไม่มีแต่เป็นเป็นมิจฉาสมาธินะต้องอแบบที่มันไม่ผิดศีลด้วยนะเช่นเราท่องพุทโธพุทโธไม่ผิดศีนนะพุทโธพุทโธหายใจแคไม่ผิดศีนนะเดินจงกรมไม่ผิดศีนทาอะไรไม่ได้จริงๆนะไปเลี้ยงปลานะสมัยหลงพ่อเป็นฆราวาสนะเวลางานหนั ก, นกๆเครียดมากๆภาวนาไม่ไหวเหมือนกันบางทีนะบางครั้ง เคมากๆมีโอกาสเขาก็ไปเลี้ยงปลาตามวัดนะแต่ละวัดเขาก็มีอาหารปลาให้ปลากินไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคือการทําทานนั่นเองมาทำทานนะใจเราคิดถึงมีความสุขนะเห็นปลามันมากินให้มันกินใจที่มีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดเลยนะบางวันเนี่ยทำงานไม่มีเวลาไปเลี้ยงปลาเลือกมาค่ำๆอุตส่าห์ไปซื้อการ์ตูนของเด็กมาต้องดูการ์ตูนเด็กนะอย่าดูการ์ตูนผู้ใหญ่นะ ดูการ์ตูนผู้ใหญ่ยั่วกิเลสให้ดูการ์ตูนของเด็กๆไว้นะอ่านแล้วก็หัวเราะบ้างไม่หัวเราะบ้างอะไรก็ได้นะนะใจมันคลายแช่มคลายแล้วก็ผ่อนหนาง่นะายเนี่ยสมถะเนี่ยเยอะแยะไปอะไรก็ได้ที่มันไม่ทําให้กิเลสแรงขึ้นนะนะให้เป็นอารมณ์ที่มีความสุขให้ใจเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้จะได้สมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนแล้วก็ใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรารู้ทันจิตที่หนีไป นะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปเรารู้แต่อย่างถ้ามันนั่งอ่านกระตูนแล้วจิตหนีไปเรารู้อันนี้ใช้ไม่ได้นะอ่านกระตูนเนี่ยทำได้อย่างมากที่สุดก็แค่ทําให้ใจสงบเพราะอะไรเพราะใจมันไปอยู่ที่กระตูนแต่ถ้าเราอย่างพุโทโธเรารู้ลมหายใจเนี่ยเราจะย้อนมารู้ทันจิตได้นะเช่นจิตมันหนีไปเรารู้จิตมันหนีไปเรารู้แต่ถ้าหนังสือนะความรู้สึกก็มีนะเช่นขำแต่นานๆมันขำทีมันน้อยไป มันไม่พอถ้าขำแล้วรู้ว่าขำก็ถือว่าใช้ได้แต่แว่าเรื่องอะไรมันจะขำได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็ไม่มีงั้นนานๆนนขำทีบางบางเล่มไปซื้อมาดูตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายยังไม่ขำเลยก็มีน ะ, อ, ะอย่างนั้นพวกนี้เอาไปทําสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ไม่ได้จริงอะเราใช้สมาธิที่พุทธเจ้าสอนเรานะเช่นหายใจ ấy. หายใจแล้วจิตหนีไปเรารู้ยืนเดินนั่งนอนจิตหนีไปเรารู้เนี่ย มีความสุขมีความทุกข์จิตลืมความสุขความทุกข์หนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้หรือดูจิตดูใจที่เป็นกุศลบ้างอกสอนบ้า ง, างจิตมันเผลอไปลืมดูแล้วก็รู้ทันจิตมันลืมไปลืมมาลงกรรมาฐานรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงบ่อยๆจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นได้สมาธิตั้งมั่นแล้วดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดเห็นว่าทุกอย่างเท่าเท่ากันสุขทุกข์ดีชัว่วเท่าเท่ากัน ร่างกายนี้หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็เท่าเท่ากันไม่เห็นมีอะไรนะใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางถ้าบารมีมากพอนะั้นก็จะได้มากผลในชีวิตนี้แหละบารมียังไม่พอก็ไปต่อชาติหน้าไปฟังซีดีนะชาติหน้าของพวกเราซีดียังมีอยู่หรอลวงพ่อทําไว้หลายล้านแผ่นแนละ้วแจกไปเป็นล้านล้านเลยนะซีดีนะเนี่ยทีมที่เขาอุตสาห์ช่วยกันทํานะมาตั้งกล้องตั้งอะไรไปไหนก็ตามไปนะไม่มีเงินเดือนให้นะ โบนัสก็ไม่มีรางวัลก็ไม่มีนะไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยพวกนี้ทำด้วยใจที่อยากจะตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าท้งนั้นเองมาช่วยกันอัดเสียงมาทำแผ่นนะเอาไปแจกไปอะไรช่วยกันทำงั้นทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาคอร์รัปชันเพราะไม่มีเงินเลยนะบางทีบอกนะบอกว่าไปต่งางจนะังหวัดค่าใช้ใจเยอะนะค่ารถบ้างค่าเรือบินบ้างค่าที่พักค่าอาหารนะให้มาเบิกได้นะ ไม่มีใครมาเบิกนะเนี่ยพวกนี้อดทนมากในในการทำไม่ใช่รวยหรอกแต่ละคนนะ่ะหน้าตาบางคนว่างงานซะด้วยซ้ำเลยไ ป, <c oughs> ไ, ปไปเทศที่นครนะเนี่ยเจอด็อกเตอร์ท่านเป็นเจ้าของสถานที่ทเทสที่โรงแรมทาวินโรตัสที่นครนะพวกนี้ก็แบกล้องตามไปรักษาปไปช่วยกันทาช่วยกันรักษาพระศาสนานะ จำเป็นมากนะตอนนี้พระศาสนาของเรานะเรามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่นที่ภิกษุณีนะหมดไปแล้วนะหมดไปนานแล้วภิกษุณีรุ่นสุดท้ายที่มีชื่อเสียงอยู่คือพระสังฆมิตรตาลูกสาวพระเจ้ า, าศกนะหลังจากนั้นก็เงียบๆไปไม่ค่อยได้ยินนะสุดท้ายก็หายศูนยะ์ไปนะภิกษุทุกวันนี้ภิกษุก็รอดแท่เต็มทีละมันมีคนไม่ดี มาบวชแล้วมาทำเรื่องไม่ดีคนก็มองว่าพระไม่ดีทุกวันนี้พระก็เริ่มถูกเบียดเบียนพระลำบากขึ้นทุกทีแล้วแทบจะเป็นส่วนเกินของสังคมอยู่แล้วนะงั้นเหลืออยู่สองพวกที่ยังเข้มแข็งอยู่คืออุบาสกอุบาสิ ก, กาอย่างพวกเรานี่แหละถ้าอุบาสกอุบาสิกายังสนใจปฏิบัติธรรมอยู่นะพระศาสนายังไม่สูญไปแต่ว่าพระอาจจะไม่มีก็ได้วัดอาจจะถูกรื้อไปเป็น ห้างสรรพสินค้าอะไรก็ได้นะในอนาคตเอาแน่ไม่ได้หรอกครูบาจารย์เองก็เคยบอกนะหลวงพ่อพุธนะเคยพูดด้วยซ้ำไปบอกว่าต่อไปมันก็หมดจากเมืองไทยในเวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกร้อยสอ0ปีอะไรนี้จะหายไปหมดแล้วนี่ท่านพูดมาก็หลายสิบปีแล้วนะมาถึงวันนี้ก็ดูรอดได้เต็มทีแล้วใช่ไหมอย่างเราคิดว่าจะต้องเก็บภาษีพระอะไรเงี้ยนะพรเป็นทักษิณิยบุคคลเ ควรรับทักสีนาทานตอนนี้พระเสียภาษีก็เท่ากับโยมละนะไอ้พระที่รวยๆมันมีสกิี่องค์นะพระส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะบินทบานไม่พอจะกินนะลําบากอาโอ้โหต่อไปจะไม่มีคนบวชหรอกลำบากมากนะแล้วก็ถูกดูถูกเหยียดหยามถูกอะไรเยอะนะคนไม่เอาพระแล้วล่วนะงั้นต่อไปพระจะหมดไปหมดไปทุกวันนี้พระกําลังลดจํานวนลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆ นะต่อไปอาจจะไม่มีถ้าไม่มีก็เหลือสองเนะหลืออุบาสกบาสิการักษาธรรมะไว้ให้ได้นะถ้าอุบาสกบาสิกาอย่างรักษาธรรมะไม่ได้ก็หมดแล้วละนะพราก็รอแร่เต็มทีแล้วตอนนี้งันะ้นที่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยนะหลวงพ่อมองมาตั้งหลาย10ปีแล้วว่าต่อไปเนี่ยอุบาสกบาสิก so านี่แหละจะเป็นกําลังที่จะรักษาพระศาสนา ลำพังพระเนี่ยอ่อนกำลังลงเรื่อยๆมันเริ่มอ่อนมาเป็นลาดับนะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เก่งๆไปเป็นพระนะพระคือผู้นำทางความคิดทุกวันนี้คนเก่งๆไปอยู่ที่อื่นหมดละพระเนี่ยจะเป็นแบบพวกด้อยโอกาสส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะมีพวกที่เรียนธรรมะแล้วสนใจ เ, เข้ามาบวชพวกนี้มีไม่มากอะะฉะท่า น, นาเหล่านี้ไม่ค่อยมีกาลังไม่ค่อยเข้าใจโลก ไม่เข้าใจว่าโลกเขาเป็นยังไงอยู่แบบเก่าๆเราไม่เข้าใจโลกพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเก็อยู่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นถึงวันหนึ่งสังค ม, มจะเห็นว่าพระไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้เราทำอะไรกับพระบ้างใครใส่บาตรบ้างมีไม้มใส่บาตรวันเกิดใช่ไหมวันไม่เกิดพระไม่ต้องกินข้าว <laughs> หรือไปงานศพ พราเป็นสับเปลือหัวหน้าสับเปลือยเลยนะยังต้องเรียนนะเป็นธรรมะไวนะ้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะธรรมะอยู่ที่ใจเราไม่มีใครทำลายได้สมัยพุทธกาลนะก็ศาสนาก็รุกเรืองมาเมื่อประมาณปี1 6นหกรอกว่ามั้งนารันทาเนี่ยกลุ่มของพระนะถูกฆ่าไปเป็นหมื่นๆเลยในยุคนั้นเนี่ยฆราวาสไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้เรียน กนที่รู้คือพวกพระเพระพระหมดเทนั้นศา ส, สนาหมดจากอินเดียเลยนะงั้นหลวงพ่อมองตรงนี้มานานแล้วล่ะถึงพยายามจาจี้จำชัยนะสอนคารวาสสอนมากเลยพระเนี่ยสอนไม่มากคนมาขอบวชยังบอกว่าอย่าเพิ่งบวชเลยนะภาวนาเอาให้มั่นใจก่อนเราค่อยบวชนะบวชมันไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่ยากนะอยู่ลําบากนะชีวิตพระอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากได้น้ําร้อนก็ได้น้ําเย็นอ๋ อยากได้น้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนนะขนาดหลวงพ่อนะคนนับถือเยอะนะเมื่อที่ยังเป็นอย่างนั้นเลยเราไปเทศนี่แหละโอ้ยไปถึงเงดตกนาะร้อนเต็มที่เลยโยมก็ยกน้ำชามาประเคนควันขโมงเลยนะแล้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเย็นหน่อยนะ่จะฉันหน่อยโอ้ยร้อนคอแห้งมากเลยนะพอเริ่มเย็นนะโยมรีบยกไปเลยมันเย็นแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ โอ้เนี่ยเนี่ยชีวิตฟ้านะเพะงั้นพวกเราสำคัญนะพวกเราสำคัญทุกคนมีความสำคัญที่จะรักษาพระศ า, าสนาไว้นะตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะอย่างน้อยพยายามเรียนให้รู้เรื่องถ่ายทอดออกไปอีกสักรุ่นหนึ่งก็ออยังดีนะพอเราถ่ายทอดออกไปแล้วมันหมดหน้าที่เราแล้วละมันก็หน้าที่ของคนที่รุ่นต่อไปเขาต้องรับภาระ อย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมานะครูบาอาจารย์สั่งให้สอนนะตั้งแต่เป็นโยมแนละ้วไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทะลึ่งออกมาสอนเองหลวงพ่อพูดธนั่นสั่งนะบอกคุณไปเผยแผ่คุณไปทํางานเผยแผ่นะเพราะว่าจวิตนิสัยของคนที่เหมือนคุณยังมีอยู่นะคนที่เป็นฆราวาสมานานนะเข้าใจฆราวาสท่านบอกคุณเลยไปเผยแผ่ท่านสั่งอย่างนี้ เราก็นึกนะจะให้เราเผยแพร่ไหนว่าเราข้าราชการสี่สามสี่เองนะตอนนั้นนะ่ะอายุก็ยังน้อยๆเงินที่จะไปเผยแพร่ก็ไม่มีไม่รู้จะทํายังไงครูบาอาจารย์สั่งพี่เขียนหนังสือเขียนบทความนะส่งไปลงหนังสือลงหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นหนังสือโลกทิพย์มันดังลงแล้วก็ไม่ส่งชื่อไปนะบอกว่าค่าเรื่องเนี่ยนะช่วยเอาไปทําบุญต่อนะไม่เอาค่าเรื่องทําไมไม่เอาค่าเรื่องหลวงพ่อจะไม่ขายธรรมะของพระพุทธเจ้า ทุกวันนี้หนังสือก็แจกนะซีดีก็แจกไม่ขายหรอกนี่ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะพยายามสืบทอดถ่ายทอดออกไปงั้นพวกเรารับถ่ายทอดแล้วพวกเรามีภารกิจนะภารกิจอะไรบ้าง2ข้อข้อ1ปฏิบัติให้ได้นะปฏิบัติให้รู้เรื่องข้อ2ถ่ายทอดออกไปเผยแพร่ออไปแต่ก่อนจะเผยแพร่ต้องรู้เรื่องนะ บางคนขยันเผยแพร่มากเลยเผยแพร่สัจธรรมปฏิรูปออกไปเนี่ยหลวงพ่อประโมทสอนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกการปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรเลยบ้าสิไม่ทําอะไรศีลก็ต้องถือสมาธิก็ต้องฝึกปัญญาก็ต้องเจริญแล้วบอกไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยพวกอย่างนี้เยอะนะบอกว่าการดูจิตก็คือทําจิตให้ว่างจิตไม่มีหน้าที่ว่างการดูจิตนะัคือการรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ย นะงั้นเวลาเรียนจากหลวงพ่อแล้วนะก่อนที่จะไปประกาศต่อเนะีเรียนให้รู้เรื่องก่อนนะอย่าขยันประกาศนักนะถ้ายัางไม่มั่นใจก็แจกซีดีหลวงพ่อไปก่อนนะไม่มีซีดีด้วยตัวเองก็ไปขอที่มูลนิธินะเอาไปแจกต่อไม่ว่านะอย่าเาไปขายเท่านั้นแหละนะอา้าวพอสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะมีส่งกันบ้านไหมอันดับแรกเนี่ย ใ น, ในผมขอากะาเลยครับอาจารย์ส่งกันบ้านอันนี้นานแล้วนะครับเกิดขึ้นได้ประมาณสัก 3-4 ปีแต่ว่าจะไม่มีโอกาสไปส่งอาจารย์ครั้งหนึ่งที่เคยปฏิบัติตามคำสอนตามซ d ดีของอาจารย์ผมฝึกแล้วก็พยายามจะรู้ตัวนะครับในการที่จิตเคลื่อนออกไปจากดอาจารย์สอนคราวนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนอนหลับแล้วก็กลายเป็นว่ามันมันนอนไม่เต็มอิ่มเพราะว่า ฝกติกตัวก็รู้อะไรก็รู้แตค่คนที่เคยฝึกกับพระอาจารย์ลูกสิษย์อ า, าจารย์บอกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าถ้ามันฝึกดีฝึกถูกต้องเราก็จะต้องนอนเต็ม่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนอดระอดนอนแบบนี้ครับพระอาจารย์ <c oughs> ช่วยห <c oughs> ลวงพ่อไงนอนนะร่างกายหลับนะแต่จิตมันสว่างอยู่ก็นะเออจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดอะ่ะแต่ว่าหลับนี่พวกเราไม่ชินกับสภาวะที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะ เราก็คิดว่าเวลาที่จิตเราตื่นเนี่ยสแสดงว่าเราตื่นที่จริงถ้าบางทีสังเกตลงไปร่างกายกลวนคลอกๆ เ, เลย น, ะนี่ความกังวลใจของเราก็ตายแล้วนอนไม่หลับตายแล้วนอนไม่หลับความกังวลใจนี้นะหากที่สร้างปัญหาให้เราแต่ว่าอย่างถ้ามันจะรู้เนื้อรู้ตัวนะใจเราส่งไว้เงี้ยส่งตัวไปนะสว่างสบายสบา ย, บายไม่คือการอยู่กับสมัครที การพักผ่อนของร่างกายกับการพักผ่อนของจิตใจไม่เหมือนกันร่างกายต้องการนอนนานจิตใจเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเวลามันลงพักเนี่ยพักไม่นานเพราะน้นคนทั่วไปพอร่างกายนอนไม่นานนะก็จะเริ่มฝันจิตใจมีขึ้นมาฝันเป็นช่วงๆนะแล้วพอมันหมดแรงก็ตกลงไปตกผวังไม่รู้เรื่องอะไรตรงที่ตกลงไปไม่รู้เรื่องอะไรหรอว่าตรงนี้แลหลับตอนฝันเนี่ยหลับหรือตื่น ตอนฟันยังหลับอยู่ร่างกายยังหลับอยู่ใช่ไหมแต่จิตนั่นแหละมันตื่นขึ้นมาทํางานนะนี่พอมันตื่นขึ้นมาบางทีสติเราดีมันตื่นแล้วสว่างโพลงขึ้นมาร่างกายยังหลับอยู่เลยแต่เราไปตกใจซะก่อนว่าตายแล้วนอนไม่หลับพอเราคิดว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนะมันกังวลใจนะตื่นขึ้นมาเลยโซมไปเลยถ้ารู้สึกว่าโอ้บุญหลายวันนี้บุญดีจริงๆนะ ได้ภาวนาโตลุ่งเลยเนี่ยสว่างสวยสบายตื่นขึ้นมานะร่างกายก็ได้พักจิตใจก็แช่มชื่นดีกว่านอนหลับอีกนะนอนหลับแบบละเมอเพ้อฝันมันไม่ได้พักจริงงั้นจะไปตกใจงั้นเด็ที่บอกว่าลูกศิษย์ที่เรียนกับหลวงพ่อสอนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะเห็นไหมว่าสอนผิดภาวนาถูกนะอ๋อครับ แต่ว่าวางใจผิดครับพรนาวนาถูกจิตเรามีสติมีสมาธิมัน่งตัวขึ้นมาแต่เราไปวางใจว่าตายแล้วตายแล้วนอนไม่หลับนะไปกังวลซะก่อนแต่ถ้าเบิก บ, บานใจอยู่ในความสุขในความสุขสบายก็ดีใจครับได้ทราบและจะได้ไปวางใจใหม่ครับใช่อยู่ที่วางใจนะครั บ, รบแล้วก็ควรจะฝึกด้วยอะ เพราะว่าพออายุถึง90ปีถ้าคนเราพออายุ90ปีนี้แทบจะไม่หลับแบบที่เคยหลับเลย mm. โดยธรรมชาตินะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะั้นถ้าเราฝึกไว้ชํานาญถึงเวลาร่างกายมันก็นอนไปนะมันเหมือนรู้สึกตัวทั้งคืนเลยเราะฉั้นคนพออายุเยอะๆนะมันจะเหมือนไม่หลับนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นรู้สื่อยนั้นจะหลับตอนที่ไม่ควรจะหลับจะตื่นตอนที่ไม่ควรจะตื่นนะ น่าจะฝึกไว้นามัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบสิบเดือนครับอืครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าจเจริญปัญญาได้มากก็จะเข้าใจธรรมะได้ไวนะครับแล้วปีนี้ผมสํารวจตัวเองอ่ะนะครับเข้าใจว่าผมมีพัฒนาการขึ้นตรงที่เรื่องความเป็นกลางครับถูกผมเคยเห็นว่าจิตมันพอมันหลงทีทีะนะครับแล้วมันก็หงุดหงิดพอเห็นหงุดหงิดไปหลาย ห, ายหายครั้งเข้าจิตมันก็เริ่มกระเพื่อมน้อยลง แต่ความเข้าใจคือว่ายังไม่ถึงตรงสังขารู้เบกข่ายานพอจิตยังกระเพื่อมอยู่เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เป็นความเป็นกลางด้วยสติใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> ใช่เป็นกลางด้วยสติรู้ทันความยินดียินร้ายนะกลางมี3กลางนะกลางด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญากลางด้วยสมาธิคือจิตรวมแน่วอยู่อย่างเงี้ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรแต่พอออกจากสมาธิก็ยินดียินร้ายอีกกลางด้วยสติก็คือรู้ทันความไม่เป็นกลาง รู้ทันความยินยนีร้ามันก็ดับก็เป็นกลางขึ้นชั่วขณะนี่ตรงเป็นกลางชั่วขณะนะพอจิตเป็นกลางแล้วก็ดูรูปนามแสดงไตรลักไปถึงวันนึงมันเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นไหมจิตมีปีติผุดขึ้นมา <c oughs> มีความสุขผุดขึ้นมาไม่ไม่เห็นครับรู้ทันไปนสบาย ส, ายสายถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกาย <c oughs> ถ้าดูสภาวะของจิตไม่ได้ให้ดูกายตอนนี้ร่างกาย ห, ออกหายใจออกหรือหายใจเข้า รู้สบายสบายรู้สบายสบายตอบผิดตอนที่พูดนะต้องหายใจออกแน่นอนตอนที่พูดหายใจเข้าไม่ได้ <laughs> ออแล้วผมขอถามเรื่องสมาธินิดนึงครับคือว่าปกติผมก็ทําสมาธิไม่ค่อยได้นะครับอตรงเนี้ยครับมันเป็นมาสักผมเรีย <c oughs> นมาช่วยเห็นว่าจิตมีความสงบมากขึ้นใช่ครับตัวเนี้เราใช้ปัญญานําสมาธิเราดูเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะต่อไปพอนิวรณ์มันเกิด เรารู้ทันนิมนต์ดับสมาธิเกิดเงินทุกวันนี้สมาธิดีขึ้นแล้วใช่ครับให้ใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับใช่ใช้ได้แล้วเวลาทําในรูปแบบคือผมเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราต้องมียึดกรรมฐานไว้อันหนึ่งถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจับจดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าจิตเขาเปลี่ยนกรรมฐานของเขาเองนะครับบางครั้งอย่าอย่าเปลี่ยนบ่อยเกินนะ อย่าเดียว5นาทีนี้เอาอย่างนี้5นาทีนี้ดูยากไม่ถึงขนาด น, ะนัะครับจะดูใจ<ต>รักษไม่ออกมันจะเป็นช่วงๆครับบางช่วงเขาก็ทําอนุษษษษษษ้สติบางช่วงเขาก็มาดูกายบางช่วงเขาก็ดูจิตอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถูกละแต่เปลี่ยนกรรมฐานไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูจิตนะอันที่หลวงพ่อพูดว่าไม่ให้เปลี่ยนบ่อยเนีคือวิหารธรรมวิหารธรรมเช่นเราใช้ลมหายใจเงี้ย ลมหายใจเราเรารู้ลมหายใจไปพอมีแรงแล้วก็เห็นจิตทํางานเราดูจิตนะแต่มีลมหายใจเป็นแบ็กกราวน์นะพอดูจิตไม่ไหวเราเห็นร่างกายหายใจเราใช้กายเป็นฐานแต่ว่าเราลมจริงๆลมเป็นฐานนั้นเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นจิตแล้วแต่กําลังแล้วถ้าหมดกําลังดูกายก็ไม่ได้ดูดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็จับอยู่กับลมเฉยๆเป็นสมถะนะนั้นที่หลวงพ่อว่าไม่ให้เปลี่ยนมากไม่ให้เปลี่ยนบ่อยนะคือตัววิหารธรรม ส่วนอารมณ์ของกรรมฐานนีที่จิตจะไปรู้เราเลือกไม่ได้จิตจะไปรู้เองก็สรุปว่าให้รู้ทันนิวรณ์ถ้ารู้ทันนิวรณ์สมาธิจะเกิด<ะ>นิวรณ์ไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้ฟุ้งซ้านไว้นะเพราะว่านิวรณ์ตัวอื่นมันก็ลูกไอ้ตัวฟุ้งซ้านนี่แหละฟุ้งออกไปแล้วไปกระทบอารมณ์มันก็พอใจนะมีกามฉันทะฟุ้งออกไปกระทบของไม่พอใจมีพยาปาทะ ฟุ้งออกไปกนะ็ห ง, งุดหงิดตัวเองกุกกระจะฟุ้งออกไปสงสัยวิจิกิชชาฟุ้งไปแล้วหมดแรงทีนมิตะงั้นรู้ฟุ้งตัวเดียวก็พอครับผมสังเกตว่ากิเลสค่อนข้างเยอะครับดบีมีโมหะเจืออยู่เรื่อยๆเลยครับดีถูกแล้วเวลาถ้ามันเป็นที่กำลังเป็นช่วงๆใช่ไหมครับบางช่วงเนี่ยรู้ปุ๊บก็ขาดบางช่วงก็คือโมหะมันเจีมันก็เจืออยู่อย่างนั้นครับ ใ่มันเข้าไปแช่ uh huh. วิธีการนะถ้าใจมันเข้าไปแช่นะไม่ต้องไปแก้มันทิ้งมันไปเลยรู้สึกตัวเอาใหม่อย่าไปนั่งแก้ uh huh. เพราะอะไรจิตที่มีโมหะก็ไม่เที่ยงยุ่งอะไรกับมันจิตไม่ได้มีดวงเดียวพวกนักปฏิบัติจะพลาดตรงที่คิดว่าจิตมีดวงเดียวเพาะั้นจิตไม่ดีต้องแก้ไม่จําเป็นเลยจิตมีสารพัด จิตเกินดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีรู้ว่ามีดีจบไปแล้วช่างมึงไม่เกี่ยวนะรู้สึกอใหม่อย่างนี้ง่ายกว่ากันเยอะขอบขอบพระคุณครับการหลวงพ่อค่ะเริ่มปฏิบัติมาสิบเดือนเหมือนกันนะคะกังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นโคล่านกันขันมันเริ่มแยกได้แล้วถ้าขันแยกได้แล้วการภาวนาต่อไปก็ง่าย แล้วก็ดูกายมันทำงานนะมันไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเห็นความรู้สึกกระจายเป็นคนละอันไหมเห็นค่ะออถ้าเห็นได้เราก็ดูไปอีกความรู้สึกเกิดได้ก็ดับได้ไม่ใช่ตัวเรา เ, ออเนี่ยดูไปเรื่อยอย่างนี้นะปัญญามันก็มากขึ้นมากขึ้นคือส่งกันบ้างครั้งแรกเมื่อตะกอนนี้ค่ะหลวงพ่อบอกว่าโลภอะค่ะ<ม>พอผ่านมาส่งอีกรอบนึงก็ดีขึ้นคราวนี้กลับมาอีกแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนี่คือพอเริ่มสวดมนต์ปุ๊บ ใจมันจะปุ๊บแข็งขึ้นมาทันทีก็ให้รู้ทันนะให้รู้ทันเกิดจากอยากดีค่ะคราวนี้เนี่ยตอนที่มันแข็งขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นพภาวะว่าเออมันมันมันรู้ตัวมันมันหายไปแล้วมันก็กลับมาตอนที่หายไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่แน่นแต่พอกลับมารู้สึกว่ามันแน่นอีกอืห้ามมันไม่ได้เรายังไม่คล่องถ้าชํานาญนะเก็ไม่เป็นเอกถ้ายังไม่ชํานาญเนี่ยเผลอแล้วก็รู้แล้วก็จะเพ่ง เป็นอัตโนมัติน ะ, ะเหลอ ER รู้แล้วก็เพง่งแต่พอชํานาญขึ้นจะเหล ER ือเผลอ ER แล้วรู้เผลอ ER แล้วรู้นะพอสุดขีดแล้วก็เหลือแต่รู้ไม่เผลอ ER. น้อพ่อคะเวลาเดินจงกรมอะค่ะตอนที่ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆประมาณ น, นี้มันจงใจเดินมากไปจงใจเดินตอนที่เดินน่ะจงใจแรงไป<อ>จะอึดอัดค่ะรู้สึกว่าตัวเองประคองอะค่ะนี่นั่นแหละปัญหาก็าให้รู้ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเคยชิน ก็ถือว่าเป็นกรจำเก่าของเราที่ไปฝึกกรรมฐานแบบนั้นมาก็ต้องฉดใช้ก็คือเดินไปสักประมาณ10นาทีพอเริ่มแบบไหลแล้วลุบเรื่อยๆก็จะเห็นโครงกระดูกเดินได้อะค่ะเออแน่นเดียวนั่นก็เป็นสมถะเอาไปสมถะอย่างนั้นก็ใช้ได้ก็เป็นสมถะก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วเราดูไปนะดูไปต่อไปถ้าสมาธิมันมากขึ้นไอกระดูกน่าจะล้มลงไปตายนะแต่ก็จะกระจายหายไปเลอได้จิตดวงเดียว ถ้าเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอถอยออกมาจากสมาธิแล้วมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยกายกับใจจะแยกกันเองอัตโนมัติ อ, อย่างเนี้ยรู้สึกไหมมันแยกอัตโนมัติไม่ได้เจตนาหรอกนะเพราะว่าสมาธิมันมากพอคืออยากขอโอกาสกราบขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะครั้งแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะเผอพูดไม่ทีออกไปค่ะว่าพระรูปนี้เทศอะไรมันไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็อ แค่รู้กายกับใจแค่นี้ก็เป็นการฝึกลเลาะๆอะไรอย่างเงี้ยเนะออใช่เรารู้ยังรู้ละใหม่ๆนะอุ้ยสอนลำบากนะคนไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้สบายมันมีคนภอนาเป็นพยานให้หลวงพ่อเยอะเล ย, อยขอบพระคุณค่ะอ่ะคนนี้นมัสกาครับหลวงพ่อ<ใ>นคนไหนครับอ๋ออยู่นี่ อ, อ่ะวครัครั้งสุดท้ายที่สมุิกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าแยกขันได้แล้วแต่ว่า ให้ระวังไปติดนิ่งติดเฉยครับแต่เมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราโกรธเร็วแล้วก็แรงนะครับไม่ไม่ไม่ไมรู้เป็นเป็นเพราะอะไรคือถ้าเราเคยติดความสงบนะพอหลุดจากความสงบเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงกว่าคนปกตินะงั้นเราปล่อยแล้วก็มีสติรู้มีสติรู้ไปโกรธขึ้นมาก็รู้ไม่ว่ามันนะ ตัวโกรธขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยอนุใสนะอนุสัยคือตัวโทสะพุทธขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันลงทุนด้วยอนุสัยขึ้นมาเรารู้ทันมันเกิดโทสะไม่ได้มันจะขาดทุนต่อไปอนุใสมันจะค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงนะงั้นเราไม่ได้พาวนาแก้กิเลสหรอกแต่ว่ายิ่งภาวนาไปเรื่อยๆนะอนุสัยยิ่งอ่อนกําลังลงเรื่อยๆกิเลสไม่มีช่องจะเกิดนะงั้นหากภาวนาไปโกรธก็รู้เอา แต่ว่ามันไม่ทันนะมันโกรธไปแล้วไม่โกรธไปแล้วก็ไม่เป็นไรต้องโกรธไปก่อนถูกแลว้วโกรธแล้วรู้ว่าโกรธเอาอันเดียวว่าไม่ให้ผิดศีลถึงโกรธก็ไม่ไปดาา่าใครไม่ไปตีใครนะให้อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลแตกกรอบกั้นเอาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทํางานแล้วดูวแต่ถ้าโกรธจนกระทั่งรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็ใช้สมถะกรรมฐานไปแก้ สมรรถกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับความโกรธก็คือการเฉริญเมตตานะบริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆครับบางทีผมก็ใช้อะไรนะอมเมตตากรุณาอะไรทนะี่พอสอนนะครับเออนะบริกรรมไปเรื่อยๆสบายใจใจเขาจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงมีสมาธิมีสมา ธ, มมาธิแล้วก็ไม่บังคับใจแล้วอันนี้ปล่อยให้มันทํางานอีกครับถ้ามันวุ้นวายโกรธมากขึ้นมันก็ทําสมรรถภาพมาเอาแต่สมรรถอย่างเดียวไม่ได้นะ หลวงพ่อครับเลยมีอันที่ว่าปกติผมใช้บทชีวิตจําวันคือภาวนาพุโทโธแล้วก็แล้วก็ไหลไปแล้วก็รู้อะไรเงี้ยครับถูกแต่มีความสึกว่ามันบางครั้งมันก็ไปนแนบกับคําภาวนาก็ให้รู้วแนบให้รู้ว่าแนบแต่นั่นคือจิตไหลไปแล้วจิตไหลไปอยู่กับคำภาวนาไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนไปเป็นคือผมไม่รู้ว่ามันจิตมันตั้งมั่นพอไหมคือคือบางทีอยากจะดูกายไปเลยยเงี้ยยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยครับ คือถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นไกามันยืนเดินนั่งนอนนะจิตมันแยกเป็นคนดูดมันก็ฝึกอย่างนั้นได้นะครับแต่กําลังเรามีมากพอมันจะเป็นอ๋อถ้ายังไม่มากพอก็ใช้พุทโธไปใช้พุทโธช่วยพุทโธไว้ก็ดีหลวงตามหาบัวเคยเล่านะท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับคขอบพระคุณหลวงพ ค่ะกับนมัหการหลวงพ่อประโมูลประโมุโชนะคะก็วันนี้หนูจะขอส่งกันบ้านในรอบสองปีที่บ้านหนะสองปีค่ะเมื่อเช้านี้เองค่ะมันเพิ่งเกิดเมื่อเช้าก็พอดีลงไปซื้อน้ำแล้วแฟนเขาก็พูดจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาสั่งหลายรอบใจก็หลุดลุกโกรธเอ๋อสักพโกรธพราะรู้รู้ทันมันก็จะรู้สึกสภาวะว่าเฮ้ยโกรธเราหนาอะไรเงี้ยแล้วก็เดินลง ดีเสร็จแล้วก็เลยกลับเข้ามาก็นั่งแต่แ ต, แต่ตู้โกรธมันยังอยู่นะคะจนถึงติดสีแยกไฟแดงก็อันนั้นเงียบๆเราสักพักก็อ่ะช่างหัวแม่ผ่านไปสักประมาณแต่แต่รู้ทันค่ะรู้ทันว่าโกรธแต่กนคือมันมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันมันลดลงลดลงลดลงเยอะๆเหมือนกันนะคะแล้วครานี้ก็อา่ามีวันหนึ่งก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปเราก็เหมือนกับเห็นมิตภาพขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะรู้สึกว่ากลัวอืกลัวนั้นคือ เกิดจากเราเราไปสร้างอะไรหรือ่ากกลัวจิตก็ปลุงขึ้นมานะเห็นนิมิตแล้วจิตกลัวให้ร่วงกลัวดูที่ความกลัวไม่ดูที่นิมิตนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมามันก็เหมือนกับรูปที่ตามองเห็นนะไม่มีความหมายอะไรแต่ทีนี้พอพอพอกลัวเสร็จปุ๊บเราเราดึงจิตเข้ามาเหมือนกับพุทโธไออย่างนี้หนีอันนี้หนีต้องมาเชิญละค่ะอย่างนี้เป็นสมร tha ไม่ได้ไปเผชิญกับรูปที่เรากลัวนะให้เรารู้ทันว่าใจกําลังกลัวกลับมาดูที่ใจงั้นถือหลักไว้เลยนะว่าเวลานิมิตเกิดเนี่ยอย่าสนใจนิมิตให้กลับมารู้ทันใจตัวเองใจกลัวก็รู้ใจชอบก็รู้จิตก็จะนึกไปถึงหลวงพ่อประโมุ่ดค่ะว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยแต่ก็จะจะจะเกิดเข้ามาว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะห้ามกลัวก็บอกจิตตัวเองมาห้ามกลัวก็ไม่ได้ห้ามกลัวก็ไม่ได้เออกลัวก็เป็นอนัตตา จิจะกลัวใครไปห้ามมันได้อ๋อก็คือให้ดูที่ที่ที่จิตที่กลัวให้รู้ทานจิตที่กลัว<ป>อย่าไปดูผีตัวที่โผล่ขึ้นมานะ <Okay. S 1> ให้ดูจิตที่กลัวนี้ค่ะ <Okay. S 1> อันนั้นเป็นของที่ mm hmm. จริงหรือไม่จริงไม่สําคัญหรอกมันเหมือนตาเรามองเห็นเนี่ย mm hmm. เราจะเห็นภาพหลวงตาหรือเห็นภาพจริงก็ได้ไม่มีนัยยะอะไรค่ะ <Okay. S 1> อย่างตาเรามองเห็นแล้วจิตเราเกิดโลภโกรธหลงเนี่ยรู้โลภโกรธหลง mm hmm. เห็นแล้วยินดียินร้ายรู้ยินดีนร้ายนี่ไม่ใช่ไปดูที่รูปที่ตาเห็น ยันเวลานิมิตเกิดไม่ได้ไปดูที่ตัวนิมิตก็มาดูที่จิตใจแล้วไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะดูเพื่อให้รู้ดูเพื่อให้รู้ให้รู้ว่าตอนนี้กําลังกลัวอยู่แล้วก็จะเห็นดีกรีของมันลดลงไปแล้วหายไป่่ะคเห็นที่มันเกิดดับได้คเหมือนก็เหมือนกับความโกรธเมื่อเช้านะคะว่ามันลดลลดลงแต่ก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยเรื่อยนะคะก็ก็รู้สึกว่าความโกรธตั้งหลักให้ดีนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสหรอก แต่ภาวนา <ะ S 2> เพื่อรู้ทันใจตัวเองค่ะถ้าเรารู้ทันใจตัวเองกิเลสจะครอบงําใจเราไม่ได้นะค่ ะ, <น>ะขอบพระคุณค่ะอกราบเรียนหลวงพ่อค่ะไม่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังไหนอ๋อไม่ได้ส่งกันบ้านเกินห้าปีแล้วค่ะไม่ไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่มีโอกาสแต่วันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านหลวงพ่คอค่ะเมือ่อเมื่อประมาณสักสองปีกว่า ที่ผ่านมามันได้เข้าใจว่าออ พ, รพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไ ด, ได้เข้าใจจริงๆอ่ะเสร็จแล้วเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยออไปเข้ากรรมฐานแล้วออกมาแล้วรู้สึกพองนิดๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีฟังซีดีฟั ง, ง youtube ของหลวงพ่อ <c oughs> แล้วกออ็มานั่งดูตัวเองทีหนึ่งว่าเ อ, อ๊ะทไมทำไมเวลา เพื่อนคนอื่นๆที่เขาถามหลวงพ่อเนี่ยเวลาเขาทําไม่ดีแล้วเขารู้สึกละอายทําไมเราไม่ละอายอะ่ะผ่านไปประมาณหเดือนเริ่มเห็นว่าตัวเองนี้รอบสุดๆคือทุกอย่างที่มันมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ความอยากมันมันเป็นตัวเริ่มต้นเลย ใ, ใช้ได้นะมันนายอย่างนั้นแหะเสร็จแล้วมันมันไม่ชอบอะค่ะไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบ ที่หลวพอพูดเรื่อยๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตรงที่ยินดียินร้ายนะัคือตัวไม่เป็นกลางแล้วมันติดคือพยายามรู้ตัวเองแต่บอกไม่พอดีอเอาอะค่ะเห็นหไหมว่ามันมีโทสะเห็นนะให้รู้ทันโทสะที่แทรกเข้ามาเลยแล้วไปโกรธไอตัวโทสะด้วยอะเออนั่นแหละมันขี้โกรธนโกรธไปหมดเลยเออนะให้รู้ทันโทสะนะค่ะ ทีนี้หนูหนูหนูเพิ่งล้หนุนแน่นมากเลยค่ะะนะแน่นนะข้างในมันแบบแข็งเป็ น, นหนักๆเนี่ยลืมหายใจใช่พยายามหายใจเข้าไว้นะเพิ่งเนะ พ, พิ่งมันหลุดเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค<ม>่ะเพือพ่อนส่งลิงก์ให้ของฟังคุณมาลีสอนคนที่ติดเพลงเยอะๆเ<ม>พราะว่าหนูหนูเป็นพวกเพลงมืออาชีพมาเพลงมาเป็นยี่สิบปีเออน่าสงสาร เลวพ่อเพ่งอยู่ยี <g <g ่สิบสองปีเองยนึงยังไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเราเพ่งอ่ะก็ก็เพิ่งมาเห็นว่าที่เราเพ่งเพราะว่าเราอยากเห็นมันชัดๆเราโลภนั่นแหละใช่อ่ะทีนี้มันเบาขึ้นทันทีภายในอาทิตย์เดียวคือถ้าทำลายต้นเหตุได้นะผลมันก็ดับผลคือความอึดอัดเกิดจากการ กระทำกรรมคือการเพ่งเพ่งก็ยังเป็นผลของความโลภคือกิเลสมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมเกิดวิบากวิบาก ค, คือตัวแน่นเพราะฉั้นวิบากเนี่ยแก้ไม่ได้มีบากต้องรับถ้าจะแก้ก็คือรู้ทันที่ต้นเหตุรู้ทันใจที่โลภถ้ารู้ทันใจที่โลภมันก็เลิกเพ่งเลิกเพ่งนะไตัวที่แน่นก็ค่อยๆ ค, ค, คลายไม่หายทันทีค จะต้องรับเบียนรับกรรมไปช่วงหนึ่ง <นะ S 2> ตอนนีมน้มันเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือมันเห็นว่ามันอยากดีมากเออนั่นแหละอยากมากทุกข์มากมหนูไปดูหลวงพ่อจะให้กันบ้านแล้วหนูไปดูตัวฟุ้งสั้นตัวหนึ่งนะกับตัวขี้โกรธอีกตัวหนึ่งเอาคู่นี้แหละาให้คนอื่นบ้างแค่คู่นี้ก็เหลือเฟือแค่วขอบพระคุณน้มัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรก คือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองภาวนาแล้วไม่แช่มชื่นไม่มีความสุขเห็นแต่โทสะตัวเองทั้งวันทัดด่ น, นี่ไม่ได้ภาวนาเอาความสุขนะแต่มันทุกข์มันเห็นความทุกข์ผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาความทุกข์นั่นแหละเป็นสัจจะนะอริยสัจข้อหนึ่งนะทุกขสัจนะทุกทําอะไรทุกให้รูยังการที่เราเห็นทุกขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรากําลังเจริญปัญญาอยู่กําลังเจริญมรรคอยู่นะแล้มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเหนื่อยก็ต้องทําสมถะ ทำสมถะไม่เคยได้เลยไปทำไม่ได้ก็พุทโธไปหายใจพุทโธไปนะแต่บางทีจิตก็ไม่เอาพุทโธมันจะแน่นทุกครั้งที่พอพุทโธขึ้นมางั้นก็แผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตานะแจมนจะคลี่ตัวออกกระจายออกมันจะไม่แน่นไปเจริญเมตตาไปบริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาพู่นางอรหังเมตตาบริกรรมไปส่วนใหความทุกข์ที่ผุดขึ้นคือผุดเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจาวันเพราะว่าต้องกระทบเยอะมากอืถ้าภาวนาไปเรื่อย ช่วงแรกๆนะจะเห็นแต่ความสุขรู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มีความสุขเยอะเลยเพราะอะไรมได้สมาธิรู้สึกตัวทีแรกมเป็นสมาธิมันมีความสุขตื่นขึ้นมาแต่พอเริ่มเดินปัญญาเลยมัเห็นแต่ทุกข์แล้วพอปัญญาแก่กล้านะจะเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนมาเลยบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้ถึงจะเห็นธรรม รู้สึกว่านึกว่ตัวเองภาวนาผิดหรือเปล่าค่ะภาวนาถูกสิภาวนาแล้วมีแต่สุข ก, ก็ผิดแหละกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะลูกปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ที่เมตตาส อ, สอนน่าจะสักประมาณสองปีแล้วค่ะคือช่วงนี้ลูกเห็นว่าความคิดของตัวเองคล้ายๆกับว่าพอมีสติขึ้นมาจะเห็นเหมือนว่าสิ่งที่คิดอยู่มันใช่หรือเปล่าค่ะเหมือนเหมือนโดนหลอกด้วยความคิดนะคะ พอมีสติขึ้นมาค่ะมันก็ฝันอยู่นั่นแหละค่ะโลกนี้นะเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเนี่ยเหมือนฟองน้ำมันไม่จริงจังหรอกแต่ว่าตอนนี้ใจถูกความรู้สึกครอบงาเราไปเห็นอย่างนั้นนะนใจเราสังเวยใจเราขึ้นมาให้รู้ทันนะไม่ให้มันครอบใจเราเศร้าหมองนะงั้นถ้าใจเศร้าหมองนี่ไม่ได้ ให้ดูเข้าไปตรงๆเลยว่าใจเศร้าหมองค่ะแล้วใจเศร้าหมองสักพักก็จะหายไปเองถูกไหมคะมันไม่เที่ยงไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพรา ะ, ะมันไม่เที่ยงค่ะมีคําถาม น, นึงอะคะ่ะช่วงหนูหนู <ๆ S 2> ต้องระวังในแง่ที่ว่าความรู้สึกครอบงําใจนะอย่างความรู้สึกเป็นครอบงําใจอย่างความสลดใจครอบงอําเงี้ยให้ดูเข้าไปตรงๆเลยใจจะได้หลุดออกมาเป็นอิสระขึ้นมาแล้วก็ดูสภาวะเกิดดับต่อไป บางทีเห็นเห็นความคิดไม่ใช่เรามันเกิดการสลดขึ้นมาว่าความคิดมไม่ใช่เราหรอกความคิดไม่มีในต่าอะไรความคิดไม่มีสภาวะธรรมรองรับความคิดเรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติตัวที่เราจะใช้เรียนรู้กรรมฐานนะคืออารมณ์รูปนามงั้นอย่างมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเนี่ยให้เรารู้สุขทุกข์ดีชั่วนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะ อย่าไปดูตัวความคิดความคิดมันฝันฝันไม่มีอะไรหรอกแล้ไม่มีอะไรรองรับเลยมันฝันฝันไปท่านนี้อย่าไปหลงอยู่ในความคิดให้มันคิดไปแต่ถ้าคิดแล้วเกิดความรู้สึกอ่ะให้รู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับถึงจะใช้ได้นะเพราะว่าความคิดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติความสุขความทุกข์ความดีความชั่วหรือร่างกายเนี่ยเี่อารมณ์ปรมัตดอารมณ์รูปนามมีปัศนากรรมฐานนะดูรูปนามดูรูปนามแสดงใจลักษ เราไม่ได้ไปดูว่าความคิดเกิดแล้วดับความคิดคิดได้ทั้งวันอ่าอ่าคืออีกคําถามนึ่งนะคะพระอาจารย์คือช่วงช่วงแรกๆหนูว่าหนูมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะค่ะหรือจิตจิตเขาจะ alert ล่าเริงกับการสิ่งที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นแหล ะ, ะ, ะเป็นไปเรียนไปมันมีแต่ของซ้ําๆนะอ่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนอมันไม่พัฒนาก็เลยกลัวว่ามันจะไปผิดทางโดยตัวเองไม่รู้ตัวหรือเปล่าอ่ะค่ะ ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่เทศนะท่านสอนนะกิเลสก็ของเก่ากิเลสก็มีแค่นั้นอนะ่ะราคาโทสะโมหะเห็นไหมธรรมะมันก็ของเก่าศีล ส, สมาธิปัญญามก็ของเก่าจะเอาอะไรใหม่นักล่ะใหม่ๆมันรู้สึกได้รู้โน้นได้รู้นี่นะเพราะเราไม่เคยรู้อะไรเลยคแต่พอเรารู้รูปรู้นําแล้วนะนก็มีอยู่แค่นั้นแหล ะ, ะก็ดูสภาวะนั่นแหละทํางานไป สภาวะธรรมมีทั้งหมดนะตัวตัวหนึ่งคือพระนิพพานเราไม่เห็นปุถุชนไม่เห็นก็เหลือ71ตัวใน71ตัวนะั้นเป็นจิตซะหนึ่งตัวที่เหลือเป็นรู ป, ปรธรรมก็ตัวเจตสิกสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะนี่เราหัดรู้สิ่งเหล่านี้ หัดดูไปเรื่อยๆนี้พอเราชํานาญขึ้นนะมันก็มีอยู่แค่นี้จะไปดูตัวที่75ได้ไงไม่มีแล้วดูซ้ําไปซ้ํามาดูจนกระทั่งอะไรไม่ใช่ดูเพื่อให้รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นแต่ดูจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับดูเพื่อตรงนี้ต่างหากดูเห็นไหมใจไม่ยอมรับตรงนี้ยังไม่ยอมรับอะค่ะอ๋อไม่ยอมหรอกมันจะเอาจริงเอาจัง อยากได้มรรคผลนิพพานจะเอาให้ได้ดูออกเปล่าออกค่ะคือตอนนี้เลยรู้สึกว่าทําไมตัวเองช้าเหลือเกินช้าเพราะว่าโลบอยู่สุดเรามีความโลบแล้วเราไม่เห็นเนี่ยถ้าเรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยไม่ถูกกิเลสครอบงามันก็ไปได้เร็วนะอตอนนี้มันโลบมันก็ไม่ไปรอกอเวลาโลบไม่มีสติจริงนะเหมือนเหมือนจะมีสติไม่ใช่หรอกในขณะนั้นยังโลบอยู่ ก็ค่ะมีคำถามเรื่องการนั่งสมาธิอะค่ะตอนนี้ลูกก็นั่งสมาธิประมาณ10นาทีได้ตอนช่วงเช้า น, นะคะของหนูจะฝึกสมาธิตรงๆลำบากนะธรรมชาติของหนูฟุ้งซ่านเก่งงั้นหนูจเจริญเมตตาไปบ้างก็ได้บริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็บริกรรมไปเพราะพื้นอีกตัวหนึ่งคือขี้โมโหบริกรรมเมตตาไปเรื่อยใจมีความล่มเย็นเป็นสุขใจก็สงบเอง ส่วนจะไปนั่งหายใจเข้าชงเข้าชานไม่เข้าหรอกค่ะรู้สึกว่าไม่ได้เลยไม่ได้หรอหาชาติหน้ายังไม่ได้เลยเ <c oughs> ชื่อหลวงพ่อเหอนะ <c oughs> เพราะว่าของพวกนี้ฝึกกันหลายชาตินะไป่จะได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูจเจริญเมตตาไปพอเจริญเมตตาแล้วมันถูกกัจจริทธิ์นิสัยนะบางทีไปเร็วนะแล้วจิตรวมเข้าถึงอรูปฌปานได้นะนะถ้าหายใจเข้าหายใจออกนึกว่าแน่ได้แค่รูปฌปาน ถ้าจริญเมตตานะแน่ถึงอรูปนะระหว่างที่นั่งนั่งไปก็จะเลยเมตตาแทนแทนดูลมหายใจถูกไมครัได้บริกรรมไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆตัวแรกที่ต้องเมตตาคือไอตัวเนี้ยอย่าเป็นโมโหมันว่าทำไมมันโง่ทำไมมันดือ้อนคะ่ะกรรนันสพันของพ่อครับพอมีโอกาได้ฟังทํากับหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกก็อยากจะสอบถามว่า พอดีมีอารมณ์ของจิดเกิดขึ้นอยู่แล้วก็รู้ทันแต่มันยังทรงตัวอยู่แล้วก็ทําให้ไม่สบายใจนะครับทําให้แบบไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบมันมันบีบคั้นครับเออให้รู้ทันมันสิให้รู้ทันไม่ใจไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบไหมครับเนี่ยดูที่ไม่ชอบนะไม่ชอบเป็นอารมณ์ปัจจุบันไอ้ตัวนั้นเป็นอารมณ์ในอดีตดูปัจจุบันไปดูใจที่ไม่ชอบ แล้วถ้าเกิดไอตัวอดีตมันยังส่งผลอยู่ครับอดีตถ้าเราไปทํากรรมไว้มันก็ส่งผลอยู่ยห้ามมันไม่ได้เรารู้มันด้วยความเป็นกลางต้องชดใช้ครับนะีอย่างเราไปหลอกสาวไว้เงี้ยเขาตํามดักฆ่าเรานะมันก็ต้องใช้เวลากว่าเขาจะเลิกฆ่าเราใช้เวลางันวิบากเขาต้องใช้แต่ว่าเราไม่ทํากรรมใหม่เรารู้ลงปัจจุบันไปใช้ได้นะที่ภานาอนะรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไป ใจมันสว่างนะใจมันสบายแต่ตอนนี้ใจไม่ถึงฐานดวกไหมเตแยมเจ้าออกไปข้างนอกหายใจสิหายใจหายใจอย่างสดชื่นหายใจแล้วมีความสุขยิ่งเหนื่อยกว่าถอนใจสักทีนี่ใจตรงนี้ถึงใ้ได้ใจอย่างนี้จำจำได้ไหมไม่ได้ไปข้างนอกแล้วรู้สึกอยาข้อ กรับขอาการบ้านแล้วก็ให้แล้วล่ะ ค, ครับขอกระทำกราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตั้งสติจะถามได้แล้วค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ตกใจอุย้ยเราจะถามอะไรค่ะ <c oughs> ดิฉันก็นะคะปฏิบัติมานานแล้วค่ะก็ก็ก็แก๊กแก๊กอยู่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์บางองค์บอกว่าอุย้ยปฏิบัติอาจารย์ตายไปหลายองค์แล้วหมดแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเหมือนหลวงพ่อไง ครูบาอาจารย์มีทั้งหลายสิบองค์ตายไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> แต่พระอาจารย์ยัง <c oughs> สำเร็จหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ของดิฉันก็เลยไม่ทราบจะถามอะไรของโยมนะ <c oughs> กันบ้านเลยนะโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัว <c oughs> หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัว <c oughs> เอากายเป็นฐานรู้กายไปเร่ย เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราเห็นคนอื่นอ่ะดูมันสบายๆสมาธิมันจะเกิดขึ้นพระสอนน้สมาธิของโยมไม่พอใจมันจะคิดคิดคิดไปเรื่อยเนี่ยเห็นไม่ร่างกายไปยักหน้าลองยิ้มซิยิ้มหวานหวนเนี่ยเนเห็นร่างกายเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะนะเนี่ยเห็นสบายๆด้วยใจที่ธรรมดานี่แหละ นะแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาพอาสมาธิเกิดมันจะเดินปัญญาที่เห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกัน<า>นี่ากายพูดอยู่กายพยักหน้ายอยู่ใจมันเป็นคนดูนุ<อ>ดท้ายมันจะเห็นในกายมันไม่ใช่เราไอจ้จิตใจที่เป็นคนดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เผลอไปนะ<า>เดี๋ยวก็ไปเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะฉนั้นทั้งกายและทั้งจิตเนีล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของไม่ใช่ตัวเร า, านี่เดินปัญญา แต่ตอนนี้รู้สึกกายบ่อยๆให้รู้สึกกา บ, ร, กกาบรู้สึกกายบ่อยๆนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเรียนกรรมฐานนะมันก็มีขั้นตอนถ้าเราเดินไปตามสเต็ปตามลำดับที่ถูกอะนะมันจะไปเร็วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจภาพของการปฏิบัติเราก็ทำอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้างมันไปไม่ได้ เงี้ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะสอนหลักขั้นแรกต้องรู้สึกตัวเป็นนะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็แยกขันไปเห็นกาเห็นใจมันแยกออกมาเห็นความรู้สึกมันแยกออกไปเห็นมันทํางานเนีย่ยสอนมันมีขั้นมีตอนนี้ก่อนที่จะเห็นขันแยกได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ผู้เพ่งไม่ใช่ผู้คิดนะเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง เพราะนั้นตับเป็นนิยมยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆนะใจมันค่อยเด่นดวงขึ้นมาแล้วขันมันแยกได้ด้วยถ้าใช้วิธีในนะแยกขันไปในตัวเลยคล้ายๆโตแล้วเหรียญรัดเรียนมาหลายอย่างแล้วค่ะมันก็มากไปอมันมากไปนะกรรมฐานของคนคนหนึ่งนิดเดียวหลวงพ่อนะตอนเด็ก ไปหาท่านพอดีสอนอาณาปนาสติทํำสมถะด้วยอาณาปนาสติอันเดียวนะแล้วมันพลิกแปลงเป็นเรื่อย่างอื่นได้เองมาเจอหลวงปูด่ดวงสอนให้ดูจิตเจริญปัญญาดูจิตลูกเดียวไม่เอาเย็นอื่นเลยนะเพราะฉะนเรากรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มากหรอกนะแล้วเราทํำโน่นทําำนี้มันจะมั่ ว, วพระอาจารย์คะเอาเวลาลมหายใจดูเข้าดูเข้า พอเสร็จแล้วลมหายใจไม่มีเออเดี๋ยวไปดูอย่างนั้นนะ้วดูไงดูเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจค่ะดูทั้งตัวนี่มันหายใจค่ะแล้วมันจะเห็นไอตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เร า, าในเล่นแบบตัวแล้วเรียนรัดเลยค่ะนะฝึกแยกขันไปเลยแล้วได้สมาธิไปนในตัวเลยค่ะเห็นร่างกายหายใจถ้าเราไปดูที่ลมหายใจมันจะกลายเป็นกสินใหญ่าการเพ่งลมลมนะพอเราเพ่งมากๆมันจะกลายเป็นแสง นะเป็นอุขะหานิมิตแล้วแสงเราเล่นได้เป็นปฏิภาคนะงั้นเราจะไม่ได้เล่นแบบกะสินเราจะเล่นแบบจะให้มันพลิกไปสู่การเจริญปัญญาได้เลยนะเนื่องจากเวลาเราจำกัดงั้นเราจะพลิกไปสู่การเจริญปัญญาให้เร็วที่สุดเราจะดูร่างกายหายใจ้เราก็เห็นว่าร่างกายหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันจะแยกขันไปในตัวนะแล้วใจที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะได้สมาธิในตัวของมันเอง แล้วก็เดินปัญญาด้วยนะรู้สึกไหมพอเห็นร่างกายหายใจใจคลายออกดูออกไหมออจะไม่เหมือนตะกี้ตอนนี้ภาวะแห่งความตื่นมันก็มีขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่หายใจไปแล้วก็เงียบเงียบเียบนิ่งไปเลยพอลมหายนะโลกระแทกก็ ด, ดับก็ว่างๆอยู่เราไปสู่จุดที่ว่างๆทอนนั้นเองนะไม่สามารถเดินปัญญาต่องั้นโยมดูร่างกายหายใจไหมค่ะ สมาธิดีขึ้นละดูออกไหมดูออกนะครับกลับนักก า, ารผู้อาวุโสครับพอดีมาครั้งแรกครับของการบ้านครั้งแรกฟังซีดีผู้อาวุโสมาประมาณหเดือนแล้วนะครับแต่ก่อนมีความทุกข์มากนะครับทุกทางใจคิดปรุงสร้างเรื่องต่างๆมากอนี่ฟังซีดีความทุกข์ก็น้อยลงแต่ว่าหัดดูอารมณ์ตามซีดีนะครับไม่ แยกแยกไม่ออกว่าเป็นการคิดหรือว่าเป็นการเราไปรู้รู้ทำไมหลวงพ่อว่ารู้เพราะขันมันแยกได้นะคิดเอาขันไม่แยกหรอกสังเกตไหมว่าความรู้สึกกับจิตเนี้ยเป็นโครานกันนะอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันได้นะเห็นไหมร่างกายกับจิตเท่าโครานกันอย่างนี้คิดเอาไม่ไดนะ้เป็นการรู้ที่ถูกต้องนะจิตขันมันถึงแยกอนะ่ะเมื่อขันแยกได้แล้วดูขันมันทํางาน ส่วนความทุกข์ทั้งหลายปัญหาทั้งหลายเป็นวิบากวนะิบากต้องใช้ก็ใช้ไปนะรักษาใจเอาไว้เพราะฉนั้นเวลาที่มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะเราก็ภานางเราไปดูจิต ด, ดูใจไปเวลามันผ่านไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้ความเติบโตขึ้นมาจิตใจเราเติบโตขึ้นรู้สึกไหมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับทนะีนี้ทีนี้ก็มีสวดมนต์บ้างแล้วก็มี นั่งสมาธิบ้างครับทำไปผมของของผมเหมาะสมกับวิหารธรรมแบบไหนใช่ได้อยู่นะที่ทําอยู่ตอนเนี้ยทั้งทั้งทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิใช่ไหมครับทําถูกแล้วล่ะครับผมเห็นไหมชีวิตเราเปลี่ยนได้จริงจริงก็เปลี่ยนได้จริงครับจากก่อนปีใหม่มาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ก็ดีขึ้นครับผมธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะไม่เนิ่นช้า ถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติถูกเนะีเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลารวดเร็วจนกระทั่งพวกเดียร์ถีศาสนาอื่นนะเตือนกันว่าอย่ามาฟังพระสมณโคดมพูดนะเพราะพระสมณโคดมมีมนเปลี่ยนใจเห็นเหตุไหมว่าเราภาวนาแป๊บเดียวใจเราเปลี่ยนนะจะเคยเหมือนหมูเหมือนมานะร้ายกาศก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะแล้วไม่มีศีลมีธรรมก็มีขึ้นมา ไม่เคยแยกขันได้ไม่เคยรู้ความจริงของกายของใจก็ได้รู้ได้เราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยความทุกข์ก็สั้นลงความทุกข์ก็น้อยลงแต่เห็นทุกข์มากนะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยแต่ใจมันไม่ไปทุกข์ด้วยเห็นแตเห็นว่าขันเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์หรอกนะกราบขอพระคุณพระอาจารย์ครับน้ำพรสการหลวงพ่อคะ่ะอืหนูเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะอืม แต่เดิมก็ดูลมหายใจดูเวทนาไปค่ะ ด, ดูกายดูเวทนาไปแล้วมันเหมือนมันตันแล้วมันถามตัวเองว่าเอาอยัางไงต่อรู้ว่าอยากรู้ค่ะว่ายัางไงต่อแต่ช่วงนี้ที่ผ่านมาพอดีมีปัญหาชีวิตเข้ามาก็เห็นทุกข์แต่สิ่งที่รับรู้ขึ้นมาได้ก็คือความทุกข์มันขาดเป็นช่งชวงๆค่ะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วความทุกข์ก็สั่งไม่ได้นะ สั่งไม่ว่าไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ดูออกไหมแต่เวลาความทุกข์มาทําไมเราเป็นทุกข์มากขึ้นเรากลุ้มใจเวลามีปัญหาทําไมเรากลุ้มใจเพราะเราไม่อยากให้มีปัญหา<ฆ>นะมันมีตัณหาเกิดขึ้นมันมีวิภวะตัณหานะอยากให้อันนี้หมดไปอยากอันนี้สิ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นสู่จิตใจของเรานะค่อยหัดรู้หัดดูนะจนกระทั่งเราอยู่กับปัญหาได้โดยใจไม่ทุกข์หรอกค่ะ แล้ววิหารธรรมที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ได้ทำอยู่ใตนี้แหละที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วนะดูออกไหมดูออกค่ะเออเรียนจะหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะแป๊บเดียวก็เป็นหรอกส่วนมากมันดื้อหนูมีคำถามหนึ่งค่ะ <c oughs> เวลาที่พอเริ่มรู้ว่าตัวเองรู้สึกตัว ม, มันเจ็บซึ้ดขึ้นมาที่ศีรษะหรือบางทีมันก็ กายมันก็แสดงภาวะให้เห็นว่ามันเกิดดับลุกไปตรงนั้นเลยเออเราก็ดูเกิดดับไปน ะ, ะถ้ามันเจ็บขึ้นมาเราก็ดูไปเจ็บนี้ไม่ใช่กายเจ็บนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาวะอีกการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจเราเป็นกลางแต่ถ้าใจเราเกลียดมันนั้นยิ่งเจ็บใหญ่เลยขอเข้ามาหลวงพ่อค่ะบางทีเวลาที่มีตัวผู้ภาคเราเป็นเสียงหงุดพ่อพยายามที่จะดับเสียงหลวงพ่อไปเหมือนกันอ เป็นยังไงนะไม่เข้าใจเวลามันมีเวลานั่งไปสักพักหนึ่งเขาจะมีเสียงพากของเขาค่ะ อ, อแล้วก็อย่าไปฟังมันปัจจุบันสั้นนิดเดียวนี้ขึ้นบ่อยมากค่ะเออใจเราชอบประโยชน์นี้ก็ช่างมันนะให้เรารู้ทันใจถ้า ใ, ใจลาคาญรู้ว่าลาคาลมันก็คือนิมิตอันหนึ่งนั่นแหละนิมิตเสียงนิมิตมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสนะนิมิตมีทั้งเรื่องราวความรู้ความเห็นต่างๆ ไม่ว่า น, นี้มีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันใจของเราไว้เช่นได้ยินหลวงพ่อพูดพูดอยู่ยได้ประโยคเดียวทําไมไม่พูดสองประโยคอนะไรใจลาคาด้วยว่าลำคาดเนะนี่ยมีพวกเราพานานะเรติดขาดเพราะมีหลวงพ่อไปสอนเดี๋ยวก็ไปสอนตัวน้นสอนคนนี้นะไม่แปลกอะไรหรอกก็กราบอนุโมทนากับทุกๆคําถามทุกๆคนนะคะที่ทําให้พวกเรา จเจริญรุ่งเรืองในปัญญาด้วยกันนะคะกราบขอความเมตตาหลวงพอ่อให้พวกเราได้นําพวกเราภาวนาสักเล็กน้อยก่อนที่จะถวายสังฆทานภาวนาไม่ว่าจเจริญ น, น ะ, จะเจริญอะไรจะเจริญสตินะนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจอย่าไปบีบจิตคนที่นั่งแถวที่สามเนี้ยพอบอกให้นั่งภาวนาก็บีบจิตทั้งหมดปบเลยใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนยิ้มหวาน หายใจออกไปหน่อยนึงก่อนเห็นร่างกายหายใจออกออแล้วก็หายใจเข้าธรรมดาหายใจไปเรื่อยๆสบายๆเห็นร่างกายหายใจสบายๆน้นใส่แว่นหลงนะหายใจสบายๆแน่นไปแล้วเอาใหม่ยิ้มหวานเออให้ใจคลายออกระดับนี้นะแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่าหายใจแน่นๆอึดอัด ด็อกเตอร์ส่งชีดอกนอกรู้สึกไหมเออใจเราหนีไปนะให้เรารู้ทันนะเรียนกับหลวงพ่อหลว ง, งพ่อดูนะแอบหนีว่าแวบบว่าแวบบไม่ได้หรอกไม่ให้บังคับแล้วไม่เผลอใจไหลก็รู้ใจไหลเราก็รู้หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจไหลแล้วก็รู้ ไปทำต่อนะไ ป, ไปทำเอาเองส่วนใหญ่ทาได้อยู่แล้วส่วนมากนะจำนวนมากเลยแยกขันได้ฮะใช่มันอยู่สบายๆนะเป็นความรู้สึกตัวนะไม่ได้อยู่แบบแข็งๆนะถ้าอยู่แน่นๆเนี่ยตึงไปนะอย่างเราหายใจนะถ้าเราไปจ้องแต่ลมนะใจมันจะเป็นไหลไปอยู่ที่ลมอย่างนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัว เราเห็นร่างกายหาย ใ, ใจใจเราเป็นคนดูสบายๆใจมันจะอยู่กับตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่ดันยวเริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายมันก็ทํางานไปใจก็อยู่ต่างหากกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เร า, เรานะให้ได้หลักนะนะทําบุญมาเยอะแล้วโมแค่นี้เหลือเฟือแล้วแค่นี้ก็พอได้ธรรมะนะแล้วมันมีครบในศะีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ในตัวเอง ไม่เอาจิตว่างไม่เอาเราดูความจริงนะดูความจริงของกายของใจมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรเงี้ยดูไปอย่าไปเอาไม่มีอะไรดังนั้นปัญญาล้ําไปปัญญาล้ําไปใจจะไหลไปอยู่ในความว่างในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่มหาสุญญตาว่างตัวนี้เป็นช่องว่างเท่านั้นเองรื่ออากาศสานานใจยัตต น, นะเป็นสมถะเหงั้นดูร่างกายมันทํางานไปไม่ใช่ตัวเรา ไม่ให้บุบรู้สึกรู้สึกไม่ให้บุบเ <c oughs> นี่ยรู้สึกใ ช, <ไป S 1> ใช้ใช้จิตอย่างนี้ให้จิตอย่างตรงนี้ไอ้ยอย่างนี้ตึงไปดนะูทั่วตัวดูตั ว, ท, วทั่วพร้อมแ ค, แค่นั้นเอ ง, นงง่ายจะตายไปด็อกเตอร์คิดมากไปแต่ไม่คิดมากไม่เป็นด็อกเตอร์หรอกเดี๋ยวเราพับต้องให้ปอนอยู่ไหม ยถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาคารังเอวามีวาอิโตทินังเปตางอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจศตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชธิรโสยะถาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัทวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาธนาสีเลสนิทจังุทธาปจายิโนจตารโรธรรมมาวัทันเตอายุวันโนสุ ข, ขังพลังอนุโมทนานดรสวนันทาลูกหลานนุโมทนากับพวกเราทุกคนอุตส่าห์มาฟังธรรมวันอาทิตย์ค่ะพวกเราพร้อมใจกันกราบ พระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบ